มาในะวันนี้เนะี่ยวันนี้ทั้งวันเป็นวันในการฝึกสุกคนนั่เองเนาะนะบางคนก็นในรอบหนึ่งเดือนบางคนก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะก็คือว่าเป็นวันในการที่ฝึกในการมีส ต, ตินะฝึกกลับมาดูจักสที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันแสดงในกายในใจของเรานะ ทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ค่อยฝึกทําไปเดี๋ยวก็จะได้มากขึ้นเนาะเหมันเด็กๆอะ่ะตอนเราเป็นเด็กๆเขาก็เขียนหังสือไม่คล่องอ่านถนัือไม่คล่องฝึกเขียนฝึกอ่านเรื่อยๆมันก็คล่องขึ้นใช่ไหมพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่างเด็กตอนนี้อาจจะยังทำไม่คล่องแต่พอฝึกไปเรื่อยก็คล่องกาฝึกจิตฝึกใจก็เหมือนกันนะแต่ฝึกจิตฝึกใจบาทีเราอายุมาเป็นมาตรฐานแล้ไม่ได้หรอก บางคนอายุไม่มากแต่ก็สามารถฝึกจิตุจกใจได้ดีกว่าคนอายุมากตัวดีอนะบางคนเพิ่งมาฝึกครั้งแรกบางทีก็ฝึกได้ดีพอที่ฝึกหลาครั้งก็มีนะบางทีไอายุมากจะขาดตัวนี้มันเป็อะไรที่ไม่ได้หรอกแต่เชื่อว่าทุกคนฝึกได้่นะทุกคนฝึกได้ฝึกนะเริ่มจากฐานเริ่มจากของเราเนี่แหละไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับคนอื่น คนอื่นเขาฝึกเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเราเริ่มต้นฝึกในตัวของเราดีแหละนะเพราะว่าการมีอะไรทำนี่ไม่ได้แข่งกับคนอื่นแต่เป็นการแข่งกับกิเลสในใจของเราดีแหละนะถ้าเราไม่ทัดกิเลสกิเรสก็ครอบงำเราถ้าเราถ้าเราก็อทัดกิเลสกิเลสก็พรอบงำไม่ได้เนี่ยมันแข่งแค่นี้นะแข่งกับตัวของเราเองนี่แหละแข่งกับกิเลสที่มันแสดงในพื้นที่ที่มันจะแย่งเราไป เหมือนคล้าย ๆ, ๆสมมว่ามันอย่างไมยตนาเนาะลูกมือขวาสมมติเป็น ส, สติะมือซ้ายเป็นกิเลสมันก็จะแยกกันจับไมนะบางทีถ้าจับไมมือซ้ายก็จะพาไปทําำทางไมดีนะพูดสั่งยาถ้ากิเกสมันครอบคุมจิตใจเราเนาะมันก็จะมันก็จะพาเราไปทําไมดีคิดไมดีพูดไมดีแต่ถ้า ส, สติมันแย่งได้นะมันก็จะพูดดีคิดดีทำดีได้ เนะีเหมือนมันเหมือนเนะี่ยมันจับได้แค่แค่ข้าเดียวนะความคิดนะหรือว่าความรู้มันจะเข้ามาครอบงำหรือว่าเข้ามาเรียว่ายึดครองพื้นที่ของจิตใจเราเนะี่ยมันอยู่ที่การเปิดของเราเนาะนะมันเปลี่ยนได้แม้บางครั้งความหลงเข้ามาครอบงนนะความรู้ก็เข้ามาแทนที่ไดนะ้นี่คือสิ่งที่เราทําได้ทุกคนเด็กๆก็ทำได้นะ โตขึ้นมาก็ทำได้แม้แต่ไม่สบายตายมากๆก็ทำได้นะไม่สบายตายมากๆก็ทำได้ทำได้ทุกคนแล้วสติเนะี่ยมันไม่เลือกหรอกว่าจะเป็นพระเป็นโยมอันนี้เหมือนกันผ้าหรือหลังหรือว่าเพือพ่อผ้าที่ลงแต่งเป็นแค่สมมติที่พวกเราเอามาใช้เฉยๆแต่ความจริงไม่มีทารไม่ว่าห้ามกันได้กินกันได้หรอกเพราะว่าอันนี้ของจิที่เลศเกิด ข, ขึ้นกับพระ พระ ก, ก็กลายเป็นโยนก็กลายเป็นผีก็กลายเป็นตกนรกได้กันทำนักเกิดขึ้นในใจโยนโยนก็กลายเป็นพระกลายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอ่ากลายเป็นข้าพมุงก็ได้มันไม่อยู่ที่เครื่องพระที่นูไไน่ไม่อยู่ที่ไวยี่ที่พวกเราอรามีกันไม่ได้อยู่ที่ฐานะตำแหน่งอะไรแต่อยู่ที่ใจเท่านั้นอยูนนะ่ที่ใจเป็นอะไรนะนั่นสาคัญที่สุดอย่างที่เขาบอกว่า ใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระถ้าใจร้ายไม่จะนุ่งผ้าสี้อเสียงก็เป <with anim> <aju> ็นผีะถ้าใจดีก็เป็นพระแต่คําว่าใจร้ายนี่ไม่ได้ว่าจะดูอแต่ว่าไม่ได้นะบางทีว่าแบบไม่คำบังดีก็ได้นะดังนั้นเด็กๆนะก็อย่ที่ว่าถ้าพ่อแม่ดูพ่อแม่ว่านะไม่ใช้พ่อแม่เป็นผีนะพ่อแม่บังดีกับเราพ่อแม่บังดีกับเราให้เราได้ดีนะบางทีก็ดุ บางทีก็ว่าบางทีก็ดีนะเพื่อให้เอาได้ดีนะบางทีใจดีอย่างเดียวเออออกอบบกตามใจอย่างเดียวบางทีทําให้เราเสียคนก็มีนะบางทีอันนีคือภายนอกนะภายนอกที่ว่าพฤติกรรภายนอกบางทีเหมืนจะดีเมันจะร้ายแต่จริงถ้าภายในเราตัวตีนะแม้จะร้ายไม้จะดูกเ็เป็นูกด้วยเจตนาดีอ่าดกด้วยเจตนาดีเพราะอยากให้เขาได้ดีนะบางที ปฏิบัติธรรมต้อเหมือนกันเนาะพวกเราก็ตองบางทีก็ต้องรู้จักดุตัวเองเหมือนกันนะบางทีมันขี้เกียจมากบางทีมันแบบมันจะยอมใช้กิเลสอ่ะกีเวสมันจะกล้าไปเรื่อยเรื่อยเราคิดว่าแเอออยจะเป็นฟืนมันจะไป็้านมันยอมมันดีกว่าก็ไม่ได้นะตอนนั้นต้องดุต้องด่าตัวเองบ้างแต่ดุด่าก็ไม่ได้โกรธไม่ใช้เกลียดตัวเองนะดุดเพื่อเคี่ยวตัวเองให้มันมีกำลังใจในการปฏิบัตินะ ดที่เห็นตัวอย่างดีๆนะเห็นเห็นคนเฒ่าคนแก่เดยไม่ค่อยไหวเขาก็ยังเดินชมกล่มนะเห็นคนเจ็บคนไข้เขามีความทุกข์หนักแต่เขายังก็น้อมถ้าเราไปสุดจิตสุดใจตอนนี้เรอตอนให้เข้าให้แก่แล้วที่เก็บให้เท่ามาสึกมันจะยากนะก็ต้องสุดตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังแข็งแรงอ่ะดีที่สุดถ้าเราฝึกได้ดีตอนนี้ตอนที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจ ก็เอามาใช้ได้นะเอามาใช้ได้บางทีเหมือนถ้าเราจะตกน้ํานะตกน้ําถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นนะก็ตกน้ําก็จะไปเรียนว่ายน้ําตอนนั้นก็ทําไม่ได้นะหรือบางคนขับรถเป็นน ะ, ะขับรถเป็นแต่ขับรถเป็นแตเกียร์ออโต้พอต้อง็นขับรถเกียร์ธรรมดาก็ขับไม่เป็นจนะแต่มาเรียนตอนนั้นก็ไม่ทันการเหมือนกันใช่ไหมนะั่นะต้องเราต้องฝึกให้เป็นก่อนฝึกให้เป็น พอถึงคราวขับขันถึงคราวที่ต้องเอใช้แล้วก็ใช้ได้อย่างดีแต่ระเบียบตอนนั้นก็ได้นะแต่มันคงเรียกว่าขุกนขัดขัดเนาะมันไม่ครอบหรือบทีก็ใช้ไม่ได้เลยมันไม่ทันาจก็มีเนี่ยการคิดใจดังนั้นอย่าไปเลือกวัยอย่าไปเลือกอตอนแแปอย่าไปเลือกตอนเจ็บหรือจะเลือกว่าตอนใกล้จะตายแล้วเนาะเราก็เห็นว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ สำคัญในชีวิตแต่บางคนคิดว่ามันเรื่องสำคัญเรื่องจริงแหละเก่งด้วยไม่เทีย่ยงแต่เป็นเรื่องที่ไม่เล่นรวย <c oughs> ต้องรอให้มันมีอะไรพร้อมทุกอย่างก่อนต้องรอให้มันถึงเวลาที่สมควรก่อนอเพรา่นึกเวลาไหนสควรนะบางคนก็มีเวลาถึงเวลาที่ตัวเองคิดก็ได้นะอืไม่แน่นะปีหน้าออาจจะไม่มีสําหรับเราก็ได้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีสําหรับเราก็ได้ะ คือนัมมีประพาตกไปตายไปหมือนแล้วนะเขาคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่เป็นหลายปีก็มีใช่ไหมไม่มีใครคาดคิดว่าเองจะต้องไปในวันเดียววันนี้บแบบดังนั้นเขเป็นกุฏาหอนนะเราเราดูข่าวเห็นข่าวได้ยินเรื่องราวต่างๆก็เอาเป็นกุฏาหอนในการเกลืน อ, อนใจแล้วก็ไม่แน่นอนนี่ติดของแน่นอน <c oughs> นะครัไม่แน่นอนติดของแน่นอนที่ทจะเป็ น, ใ น, ในทีิงดังนั้นสิ่งใดที่ คิดว่าเป็ิ่งที่สําคัญในชีวิตอย่าปล่อยใหเวลามันผ่านไปอย่ารอว่าจะทํามาวันหน้าวันหลังนะถ้ารเราเห็นว่ามันสําคัญในชีวิตเราต้องที่ทาทําเท่าที่ทำได้ทําให้เต็มที่ความสําคัญกับครอบครัวความสำคัญในการสุดใจความสำคัญกับเพื่อ น, น, อนอเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าพยายามให้คุ้มค่าให้เวลากับสิีงนี้ด้วย จะให้ใช้กานงานจะให้แค่การนานาหารงเงินหาทองจะให้แค้เครื่องเรื่องไร้สาระที่สนองความอยากเราคึณพาทำทั้งหมดมนาะแต่งเวลาที่กับฝั่าธรรมะบ้าง น, นะวันนี้เราก็มาแ บ, บ่งเวลาในการดูใจของเราดูกายของเราถ้าเราทํานี้ได้นะต่อไปนะการดูกายดูใ จ, ใจมันจะมีแม้จะทำานอื่นนะมันจะเข้าไปแทรกได้หมดเลยนะเข้าไปแท้กับการทำานอื่นได้หมดนะ ไม่ต้องคราวนี้ไม่มีแบ่งเวลาแล้วนะแม่โยมทํางานแม่โยมอยู่กับครอบครัวแม่โยมจะู่กับเพื่อนต่อไปในการปฏิบัติธรรมจะเข้าไปแทรกในทุกชีวิตทุกอานูที่พวเราเรียกว่าที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่แบ่งเวลาใหม่ใหม่แบ่เวลาให้กับเขาในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบบ้างในการเข้าคอร์สบ้างใหม่ๆก็ตําแบ่งหรือว่าแจะเก่าก็แบ่งนะแต่พอฝึกไปแล้วคราวนี้การปฏิบัติธรรมนะ การภาวนาจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราอหล่งแนบแน่เลยนะเกี่ยวข้องกับอะไรก็เห็นเป็นธรรมะก็เข้าสู่ธรรมะได้นะี่บางทีจะต้องเริ่มต้นจากมีสอนตอันี้พว ก, นนะนนกเราเริ่มต้นนักเริ่มต้นในการฝึกมนะ่วมใช่ไหมนะฝึกใช่ไหมอือ่าเดี๋ยวอาจะมาให้พวกเราเดินในก่อนสักหน่อยเนาะนะอ่าเราไป เขาจับมาตอนเ้านากเลยโดยยังมีสตินะโดยแถวคนไม่เยอนะกั้งสองสามคนก็พอนะ เรียนมนเดียวนกะันเรียนได้ไนะหมแค่ดูดูการเคลื่อนการกระทบรู้ทันการเคลื่อนการกระทบรู้ทันความคิดยิงโผล่ไปกลับมา คิดอะไรก็เอาไว้ก่อนเนาะจะอยากพูดอะไรก็เอาไว้ก่อนกลับมาดูดูกายดงเสื้อดูใจที่มาปรุงออกไปเดี๋ยวก็ปรุงแล้วกลับมากอนไม่ได้ห้ามความคิดนะหลวงพเทียนบอกว่าไม่ห้ามความคิดแต่ให้รู้ทันความคิด ใ่ส บ, บายๆผ่อนคลายยิ้มงก็ได้นะยิ้มยิ้ให้กับตัวเองนะให้มันยิ้มเกิดขึ้นภายในภายในที่ยึดยกบจิตใจมัจะมีความคิดมันจะมีลมความลงเ ข, ข้ามานะ พอมันเจอความยึดแย้งภายในมันก็หายไปมันกะไปมันกับตู้เย็นโยมนะตู้เย็นของร้อนเข้าไปอยู่ตู้เย็นเดี๋ยวของร้อนก็กลายเป็นของเย็นนะความเย็นใจที่พวกเรามีอยู่ภายในก็เหมือนกันแม้ภายนอกจะกระทบกับความร้อนจากคำพูดจากการกระทําของคนอื่น หรือเป็นความร้อนที่มันเผยออกมาพอเกิคดความเย็นใจนะแล้วก็เปลี่ยนคลายเป็นความเย็นได้ใจเราให้เย็นๆใจดีๆคนระับอาการที่ลงไปคิดไปก็เป็นแค่ของชั่วคราวที่เรารแพนะ้ไม่ใช่ของจริงนะ เราเด้วยเถินไดานนะครับไปที่ตอที่จะนั่งนะออกมาจะมีอะไรที่เราดูเนปะ็นส่วนประกอบนะส่วนปรกอบในการปฏิบัติดูเป็นสิ่งที่ด้วยไฟแล้วก็เรามาแต่งปันจัยให้เราดูบางคนอาจะนั่งเคลื่อนไหวมือคลิกมือดูไปเรื่ยก็ได้นะดูแล้วก็ฟางด้วยเนปะ็นเรืรร่องราว ว่าสิ่ที่พระราษฎร์ธรรมเนาะพระพุทธเจ้าท่า น, นสอนจริสอนมานานแล้วหลักฐานก็มีมานานแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่หลักฐาที่พพุทธเจ้าท่านสอนนะจะมีการสืบค้นมีประวัติศาสตร์ที่สืบต่ อ, อกันมาก็ได้ไปดูแล้วก็มาแบ่งปันให้พวกเราได้ได้ชมมาตอนนี้ไม่ใช่เป็นการหอกรวงเาขงเาสอนพระพุทธเจ้า มีหลักฐานจริงรในเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้เชิาไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ถ้าเราลองทำจริงมันก็ได้ผลจริงแต่นะทำไมาเชื่อแม้หลักฐานี้ถ้าตอนหลังนะถ้ามีคนมาบอกว่ามันเป็นของเท็จนะไม่ใช่ของจริงเราต้ไม่เสียงเขานะแต่ทำมเชื่อธรรมะคําสอนพอ ง, องพเจ้าก็ยังเปของจริงอยู่นะะ แม้ไมมีใครมายืนยันแต่ถ้าเรายืนยันได้จากตาที่เราทำแล้วความทุกข์ในใจของเรามันน้อยลงมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้ น, นใครจะว่าอะไร้็เรื่องของเขาแต่นี้เราก็เห็นทั้งเลนขผลกับตัวของเราเองแล้วก็หลักฐา น, นที่เป็นวัตถุเขาก็มีบอกหนังสือ น, นะคะก็มีบอก ไปแล้วก็เป็นของจริงไม่ใช่แค่้าพอิทธาพฟูดแต่พระรังในสถานที่ต่งางๆก็มีจริงนะก็ให้พวกเราได้ดูแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพุท ธ, ธานุสตินะก็คือพุท ธ, ธานุสติคือปีฆุดเจ้าเป็นเป็นตัวคอยตัวสติขเรากนะารสดไม่พุท ธ, ธานุสติไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไหว้พระแต่การด้เห็นทงานความดี ในที่พระเจ้าท่านทำไว้เราจะถึงคุณพระพุทธเนี่ยเเรียกว่าเป็นพุทธฐานมิติทำม า, าและมตริเปนการเราึกถึงคุณพระธรรมสคัญิตริก็คือเราจกถึงคุณพระสงฆ์ที่ปฏิบัติบบที่เราอบแล้วเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมดีเ่เอาศรัทธ า, าเป็นตัวนาบ้างนะบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจเหตุผลยังไม่ไปจับผลที่ชัดเจนกับตัวเองเพราทีก็อาศัยศรัทธา เชื่อว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้พระมหาประศาสน์แต่ทำไมขั้นถึงออกบวช น, นะออกบวชแล้วขั้นรู้เห็อะไรในมีคนปฏิบัติต า, ต า, ตานะมขั้นมีออกศรัทธาติดตัวนำแต่ไม่ใช่ศรทาแบบคง่งายเนะาะจะเป็นศรัทธาการน้อมใจมาศึกษาก่อนนะไม่ใช่ว่าเชื่อแบบร้อนจัดเต็มต้องใช่ไหมแต่ศรัทธาติดตัวนำเหมือนเราเชื่อสมมติเราเชื่อว่าพ่อแม่ศาสนาดีต่อเราเนาะก็ฟังได้ก่อน ครูคงจะรู้มากกว่าเราแล้ก็ฟังครูให้ก่อนถ้าอาจจะรู้มากกว่าเราแล้วเราต้องฟังไว้ก่อนแต่ัไม่ใช่ว่าจะดวกสรุปเลยเนาะฟังไว้ไม่เสียหายแต่ฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ยินฟังได้เห็นมันเปประโยชน์ในการที่ว่าทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในชีวิตหรเปล่าความทุกมันก็ร้อยลงจริงหรือเปล่านะครับก็ฟังไว้เป็นวารตอบ ไปที่ประทศเดียนะเนาะเขียนไหมภาพเนาะปูดนะอูดอูดลากไม้อูดลากอะไรปูดรากต้นไ ม, ม้บ้านเราหาปูดมันก็ยังหายยากนะเนาะแต่ของเขาปูดมันยังมีเยอะยอะเลยนะียดไม่ใช่แค่กลัวหรือไฟแต่เขาใช้อดูดอูดในการลากมัน้นะเราก็เห็นรถบรนพุบเขาก็มีนะ อูดก็มีมันเห็นประเภทที่เรียกว่ามันมีความต่างแต่ก็อื่นกันความโบราณวิถีชีวิตโบราณแบบสมัยเก่ามันก็ยังมีอยู่วิถีชีวิตแบบใหม่ก็มีอยู่บางคนเปรียบเทียบว่าอินเดียเหมือนแบบคล้ายๆคนธรราซึ่งเหือนแต่งชุดทันสมัย <c oughs> เขาบอกคล้ายๆมันมันมีทั้งความเก่าอแล้วก็มีทั้งความใหม่ พยายามที่จะรักษาพระธรรมเก่าแต่กพยายามที่จะก้าวเรียกว่าก้าวให้ทันสมัยมีเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมากมายเหมือนกันก็อยู่ในภาพนี้ก็จะเห็นในความโบราณมีวิธีดั้งเดิมมันก็ยังมีวิธีทันสมัยอยู่แต่ก่อนมันก็ต้องวิ่งตามทางเรียนเนาะเดี๋ยวนี้ก็มันอยู่ในถนนบนทางอันนี้ก็ให้พอเราได้เห็นว่า โยมนี่จะถูกยนะังอ่านี่เป็นพระองส์ศาลิพิธาตนะอ่าศาวิพิธา ต, นะอาาตของพระพุทธเจ้าอยู่ในพิธพันฑ์แห่งชาทีเดียที่ครุงเดวดีบางทีเราคิดว่าพระธาตุมันต้องเป็นรูปเไซส์อ่าเป็นสีในใสัเต็มใสหรือว่าสีนั้นสีนี้อันนี้แม้แต่ของพระพุทธเจ้านะ ก็ยังเป็นเหมือนแค่สดุกธรรมดาแต่มาพู้วนี้ไม่ใช่ปฏิเสธว่าที่เราเชื่อกันว่าพระธาตุของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์นะแต่อยากให้พวกเราเชื่อว่าบางทีเราบางคนเนาะบางคนคิดว่าถ้ากระดูกใครต้องเป็นพระธาตุฉะนั้นคือผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ดีผู้ปฏิบัติดีแล้วต้องเป็นพระธาตุเท่านั้นแต่ถ้าเราพอมาเห็นว่าเพชรของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เอง ก็ยังตกอยู่แบบนี้่ลยนะดัง น, น, นั้นการที่เราจะเอาวัตถุหนึงมามาเรียกว่ามาพิสูจน์หรือว่ามายืนยันหรือว่าเอาแค่ฟวาเชือเ่อนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไรัพนก็เพราะเราเห็นว่ามแม้แต่พระลพิษารถิชาซึ่งมีประวัติชัดเจนว่าเป็นของพระพุทธองค์เองก็ต้อมาตั้งไวทง้ที่พิปัสสนาจิตธาตุนั่นก็เป็น ส, สิ่ยงแค่กระดูกธรรมดาเท่านั้น แต่ส่วนอื่นที่อยู่ในกระถูกอือเจดีย์ในมาก็ไปดูนะที่ น, นี้ก็เป็นส่วนของพระพุทธองค์ตรงนั้นก็เพื่อเราเห็นนะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียนะที่ปลูกพัดธุ์ตัด น, น้ําแม่โคกขาดที่เมืองพรารานสีนี่ถือเป็นเมืองเก่าแก่เมือง 4,000-5,000 ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคารานสีในวันนี้ก็จะมีคนอาบน้า จะมีคนใช้น้าพงคาตอนช้าตอนเจ็นนะนี่ก็เป็นภาพที่ตอนเย็นได้นั่งนั่งเรือชมนน้าําพงคาตามท่า น, น้ํำต่างาท้ า, น, ทา น, นี้ก็มีคนอาบน้ําท่าต่อไปนท่ข้ามันมีชนิกาก็มีศพมีคนเผาศพมากมายในวันที่เรานั่งเรือผ่านในตอนเย็นก็ประมาณตอนพระอาทิตย์ตอนจะตกดินเนาะตรงท่าเนนะี้ย นับกองไฟกองปืนที่เขาเผาสบได้สิบสี่กองแต่ถ้ามีนัแสดงว่าวันหนึ่งล้วเขาเผาก็ไม่ใช่แบบเผานานนะอาจจะต็สบนุงประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงพอพ อ, อปืนเริ่มหมดนะแล้วก็เขียนิที่เนะขียนตที่ลงใ น, นนะ้ำนะจะเหลือเป็นชิ้นหรือว่าจะไม่เป็นชิ้นแล้วก็โปยลงในน้นทั้งหมด เห็นว่าเนี่ยคือคือปูกษามนจริงๆนะในการแห่ศบมาแล้วก็เอ า, ออามอาจุดน้ําคงคาใคล้ายๆเป็นร้านชำระบาทแล้วก็เอาพน้ำพอสพเริ่มแห่ที่ดนึงก็มาตั้งกองไปทับเขากันวันหนึ่งก็คงหลายร้อยศพเพรานะวีจ้องหลายกอนะตอง น, นี้เสรตจอ็ศพนั้นมาก็ถือว่านี่คือความเชื่อเขาแต่เราก็เห็นว่าเออที่จริงความตายกับชีวิตมี พอเราเห็นตรงนี้มันคือของของใกล้กันนะอืมของใก้กันมากเขาก็เห็นโรคาตางๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคนตายก็ไปนีคนอยู่ก็อยู่เหอนไปแต่ที่เห็นพอเห็นตรนี้แล้วทาให้เราเสนัอว่ายิ่งคนตายก็เป็นการแค่เ้เคียนผ่านของชีวิตแต่ก่อนที่จะตายมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าตรงนี้สําคัญกว่าแต่มันก็ทําให้เราไม่กลัวตายนะ แบบนี้ก็เปออ็นโต้ที่อยู่ในที่ประจำวันนะนี่นี้ก็มันอยู่ใกล้ๆกันนะที่เมืองปรารีสก็จะมีห่างจากปรารีประมาณ12กิโลก็ตัวสถตวที่ใหญ่แล้วก็จะเห็นเร่ยกว่ า, าทำในตัวสัตู์ก็คือสถูวที่เป็นสถานที่ พ, พระเจ้าแสดงธรรมตั้งแรกปศงจากรวิทย์ เป็นการสอนคำขั้งแรกแล้วก็มีผู้รู้ทางคนแรกคืพอพระัญญาโภทะักญ์สถูปนี้อาจจะไม่ได้วิชิตสวยงามนะแต่ความมั่นคงแบบเรียบเรียบไม่ง่ายนะมีพระรามมากนะรอบๆบริเวณตงรงสถูปก็จะเรียกว่าปา่าพิพิธชนะมรดกสายวันก็นะจะเป็นสถานที่แรกที่รู้จักท่านจำรรษาที่ พอสอนทำเสรจในวันอาสรารหัสิชาแล้วก็เข้าพรรษาสอนที่นี่เลยพรรษาแรกที่พระโต๊ะเป็นสอนครับแล้วก็เป็นที่นี่แหละที่พระเจ้ามีพระตาบก60พระองคง์60รูปเป็นพระ ร, รหันตทั้งนั้นท่านก็บอกว่าจตละทัดทิพเวรจารด้กา ร, รอิตายะจตไดากา ร, รสุขายะโตการสังตายะพบเธอทรงไปเผยแผ่ธรรมะขับั้งสอนเพื่อประโยชน์สูขของมหาชนหมู่มาก พระเจ้าวันเนี่ย60รูปเนี่ยให้ไปคนะทางนะจะไปทางเดือนสันเรียก ว, ว่าเป็นที่เนี่ยเป็นที่ปักตาคมะักคำแรกให้กระจายอไปออกไปนี่เป็นคำในี้จะสูอเป็นหนึ่งในเรียก ว, ว่าคำเวทมีเช่นประธานเรียก ว, ว่ามีคนมาสัปดาห์มากครับเรีย ว, ว่าปฐมกติชนาคำแรกอันนี้ก็เป็นที่ปฐูมป ร, ริยนิพพานที่มุงกุฎนิราดาเนาอกา นั่งรถไฟแล้วก็ไปต่อรถยนต์ที่นั่นก็นั่งรถไฟหนึ่งคืนแล้วก็ไปต่อรถยนต์อีกสองชั่วโมงะก็เห็นว่าประตูนี้ก็เป็นประตูที่แตกเข้ามาเป็นรูปสรงที่แตกข้างใ น, นก็จะมีมีพระพุทธรูปตางปริดิษฐานอยู่ในประถูท่านก็นอนสงบนิ่งพวกเราเข้าไปในคาเฟ่นั่ง ปฏิบัติธรรมนี้นะจาจะพูนสักวันชั่วโมงนะเน่ยเดินทักจนเราองคพระพุทธสัติมาสามรอบแล้วก็นั่งปฏิบัติการหลับคนก็เดินแล้วก็สวดมนต์มีอย่างพระจีดูท้ายมันก็จะเป น, นั่งสวดมนต์ทั้งวันพุท่ทีชาวอินเดียไปก็พนะุ่มจีชอบชอมาเอ า, เอาเอามือแตะที่ปาหา้าพระพุทธเจ้าที่ที่ปาพระบาทนะแล้วก็มา แต่ศี่ษะเี่ใช้เป็นกลุ่มค น, น, นก็มีชาวพูทั้งนีกระชาวพมา่าชาวพมา่าเขาไปเป็นกุ่มมีพระพมา่าําในประตูนีนน้ข้างหน้าแต่เออข้างหลังคือนะสถานที่ปฏิบัติอีลกุสิตนาดาเมื่อกี้คือที่ปฏิบัติอันนี้เป็นที่ประตูที่ประตูที่เจ้าให้อยู่ประเทศเดียร์ตา ข้ามประเทศมาหยือบินชายแดงมาไม่ไกลน ะ, ะจากชายแดนประเทศอินเดียสู่ลปทีินีนี่ก็แค่ประมาณสามสิบกิโลเมตรนะนั่งรถก็ถึงเพื่อไม่ถึงชั่วโมงนะก็มาถึงลุมพินนะีเป็นสถานที่ประตูของเจ้าชายพิทักษ์ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นนะพงสีสันนี่ทงของ คนที่นับถือทางสายวัชรยานหรือว่าทางสายพิเภกเขาจะถือว่าธงเจ็ดสีนี่เป็นงของธงศาสนาถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นธงธรรมจักรเนาะแต่ทั้งคนที่นับถือแบบพิเภกนเนี่ยเขาจะมีธงเจ็ดสีสีเขียวสีเหลืองสีทั้งเงินสีขาวสีแดงอเป็นห้อยเพื่อโยงระยือปหมดเลย นีสถานที่ที่พุทธเจ้าประสูตนอยู่ข้างในนี้นะสร้างข้อบกระสุนเก่าอยู่ข้ในนี้ก็เป็นรูปแกะสลักคล้ายพระพุทธเจ้าเเล็กๆก้อนเล็กๆกนะำลังเดินอย่างนเราดูได้ไงเห็นเสาด้านหลังนะี้ไหมเต่าด้านหลังด้วยนะที่ทุกต่อชี้นี้เรียกว่าเสาเสาพระเจ้าอาโศกทุกที่ที่เป็นพุทธสถานเขาบอกว่าประมาณแปดหมื่นสี่พันแห่ง พระเจ้าลส่งไปสร้างหลักฐานไว้เยอะนะบ้านจะเป็นเสาบ้างบ้างจะเป็นหลักกีลาการลึกบ้างแล้วก็การลึกก็สอนโบราณว่าสถานที่นี้พระเจ้าลส่งไปมาตามรอยอที่พระเจ้าท่านได้ไปนั่นใ้นี่สถานที่ที่ตรงนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายพิทักนษะ์ก็ระบุวไว้แล้วก็ตามพบว่ามีของจีนะของจีนก็จะกระโตกมาเจอที่ลุคทีนีเพิ่ม เ, เงนินปาน อันนี้ก็เหน่กาได้ขึ้นเหมือขึ้นมาดีขนในปาที่มูลโคระาก็จะเห็นลักษณะว่าเป็นเสือเขาอิมารายนะใกล้ๆแล้วแต่ที่ถ่ายรูปนี้เขาอยากให้ดูชาวพุทธสองคนนี้นะผู้ชายผู้หญิงเขาสื่อชาวพุทพอเขเห็นเราเดินผ่านไปนะเขาก็เขาก็อพูดได้บ้างก็มาพูดกันเขบอกเขาขอนีมน เราไปฉันน้นานําชานาชาหมกเราฉันของอาหารนิดหน่อยแล้วเขาก็คาขึ้นมาบนบนเจดีบ้านเาบน เ, เกขตไม่ว่าหลักคาหลักฟ้าบ้านเขาแล้ว ต, ต, ต้นโพนี่เขาบอกเขาปลูกมา30ปีแล้วเป็นต้นโพโพแก้วกับแคบๆเขาปลูกบนเรียกว่าตอนนี้เปนเจดีย์เล็กๆเจดียนี้เป็นเป็นที่เก็บปฏิ ของพ่อแม่เขาตอนนี้ก็เป็นช็อกโกแลเจ้าดูช็อกโกแเจ้าเขาอธิบายว่าเนียย่ยต้นโพนั่นนะนะเข้ามาแทนที่บ้านเราจะมีทิ้งพระใช่ไหมเขาก็มีกระถูกเล็กอยู่บนบ้านมาไหว้พระทุกวันมาไหว้พร ะ, ะ, ะทุกวันแทนมาไหว้พระกราบพระทุกวันอยู่ข้างหลังเขาก็วสวยๆนะเห็นไหม หรือว่าหลังเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเวลาสัป้าพไปก็ทําอยู่ไปด้วยนะเขาก็ยังตักพาในพุทธศาสนามากนะแม้ในป่าไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์นะประศัดโดนรนฆ่าพราครครคอมมิวนิสต์ขับเหมืองอินมาปกครองในป่าแต่เขาก็ไม่ได้ทาลายศาสนาไปขั้วหมดนะเขาก็สามารถรับผือได้คนนี้ก็เหมือนกันเขาก็่รับผือเขาบอกว่าในเมืองนี้ก็มี ชาวพุทธประมาณ 30% ได้ <c oughs> แต่ในทัพเตียจะมีแค่ 5% ช่วงประเทศเานาลนะแต่เมื น, นี้มีประมาณ 30% มีวัดทิเบต ว, วัดพุทธแบบทิเบตบ้างแล้วก็มีเจดีย์นะกระจายไปหลายที่ชาวพุทธก็อยากเป็นพุทธ <c oughs> อันนี้ก็มาที่เหมือนปาดเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเานา อ่เจดี D, อ่าเรียกว่าสยามคูอเจดีย์ประเทศอินเดียจะมีสัญลักษณ์ที่มีมรวงพระเนตรของพระเจ้าหลวงาตาพระเจ้าอยู่ ท, ทัสี่พิศของเจดีแต่ไปที่ไหนก็จะมีแบบนี้นอ่าเป็นรวงตาพระรรนนรรเจ้าไม่แพ้อะไรใครๆว่ามีใครพระเจ้าดูเราตลอดเวลานะทาชั่วไม่ได้นะ ทำเชื่อไม่แนนะโอ้โฮข้าส่องไปดูเจดีย nice. ์นี้ก็อยู่สูงนะมองเห็นไปได้ไกลนะบางเจดีก็อยู่บนยอดเขาเลยเป็นการเตือนให้ชาวพุทธหรือว่าโอ้โฮข้าดูแลอพวกเราอยู่พวกเราอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าทำความชั่วให้ทํำแต่ความดีเราพยายามฝึกจิตฝึใจตัวเอให้เยอะๆด้วยนะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีชาวพุทธในปาร์มาตากับเยอะชาวพุทธที่เบสบ้าะ มีวัดรอบๆเจดียที่เด็กเขาก็กจะมีก็เราอาจจะถ้าใครเทไปส่วนโมก็จะเห็นในวัดวงรอบบ้อของปฏิจจสมปร บ, บก็คือวงรอตั้งแต่อภิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารในนี้วิญ ญ, ญ, ญาณ น, นามรูปต่างๆเป็ น, ท, น ท, ทั้นถึงโศกประลุเทพบุตรคือตั้งแต่ความไม่รู้เป็นขั้นไปจบที่ความทุกข์เป็นวงจอรอื วงจรสุบาทของความทุกข์นะก็นี่ทางทิเบตเขาก็เชื่อตั้แบบนี้นะอาจารย์พุทธทาสก็เข้ามาเป็นรูปวงจรตรงนี้แหละมาเห็นว่าวงจรของความทุกข์เป็นวงร้อเลยนะเราต้องมาทําลายวงจรของความทุกข์ออกไปทําลายวงจรของปฏิจจสมุปบาททำลายที่ไหนทําลายที่อุปทานสิรู้ว่าอุปทานสิไปยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางนะจ๊ะ ปล่อยวางที่อุบัติการตัดที่ อ, นะอุบัติการเนี่ยตัดวงร้อตรงนี้ได้นะพอดีก็ขณะที่เดินเป็นอีเจดีหนึ่งนะมีสองพ่อรุ่นแม่ของผูง้ถ้าบวดตั้งแต่เป็นสามตอันนี้อายุประมาณหกสิบแปดปีหัวใดสิบหกขวบนะท่านเห็น้วกเราท้านก็เด้ได้วาเรียกพวกเราเข้ามาเดิน ก็ใจดีด้วยพอเดินใช้นค่ก็พาที่วัดทันท่านใจดีมากนะท่านก็สนทนาธรรมท่านให้นมชาโนมท่านก็่วนคุยทัานเมาประเทศไทยสองสาครั้งอย่างนี้ท่านก็ใจดีเป็นพระที่เบสเป็นพระในปางนับถือเพื่อสนทนาแบบที่เบสก็ได้มาวัดท่านในวันแรกและต่วันวันสุดท้ายในงานการบุต ท่นก็ยังแนะนํำว่าถ้ามีถ้ามีวัดอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกอยู่ไกลจากนี้นะถ้าอยากไปภาวนานก็ได้ท่านว่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผู้ใช้ผู้ควรสนแต่อาป็นไม่ใช่จิตศาลาข้าบนท่านก็เปิดห้องให้พวกเราก็มีส่วนบนต์ไหว้พระทำบัตนพวกเราก็เดการมาทาวัตรเย็นกันนะครับทำบัตรเย็นในประเทศนิดหน่อยแต่ให้พวกเราดูนี้เป็นเยดีท่านบอกว่า ข้างล่างเกียรนะี่เป็นที่เก็บเก็บศพของอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านมรณภาพไปประมาณอาจารย์จยได้เงินิดประมาณหกเจ็ดปีละเจ็ดแปดปีประมาณนะตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าอาจารย์ท่านกลับไปเกิดที่ไหนนะคือในที่เบสก็จะมีความเชื่อว่ารีโพเชว่าอ า, อาจารย์พระรามะท่านสูงเนะี่ยพอตายไปจะรีบอสก็คือกลับมาเกิดใหม่ ตอนนี้อาจารย์ท่านเกิดอยู่ประเทศพูธานอายุประมาณ6ขวบแลนวกำลังทําเรื่องถึงรัฐบาลพูธานเพื่อขอพออายุ7ขวบจะกลับมาให้มาบวชเป็นสาวนร์แล้วก็มาให้การศึกษาต่อต่อไปก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทางสายของวัดนี้ต่อไปนะนี่ก็เป็นความเชื่อของพิเภกซึ่งอย่างเราเคยได้ยีนน้ององค์อะไรรันมากบ้างองค์ตัมมาป่าบ้า ง, ง, ง, าางที่พอตายแล้วก็มีการค้นหาราะ ดานที่มรณะ่าไปให้กลับมามาศึกษามางีรู้อยู่นะอันนี้ก็ข้างล่างนี้ก็เป็นศพกระถามท่านว่าจะมีการเขาเนี่ยท่านบอกเก็บไว้ตรงนี้แหละไม่ทําอะไรก็คือรอรออาจารย์กลับมาเป็นตอนนี้เป็นเด็กน้อยอยู่นะเดีวปีหน้าจะกลับมาเป็นสามนะัญนีกำลังทนะําเรื่องก็ตันนี้ก็กลับมาที่อินเดียอีกครั้งนะที่ชายแดนด้านหนึ่ง ตรนนี้พก็เราอเรียกว่าวัดป่ามหาวันวัดป่ามหาวันอยู่ที่เมืองไผ่สาลีเมืองปัตตานีนะเมืองไผ่สาลีติด อ, อยู่ไม่ไกลจากชายแดนมากนก็จะมีวัดป่ามหาวันซึ่งพระเจ้าก็เคยจำพรรษาแล้วก็ตอนนี้จเจตที่ธิ์ก็คือว่ามีเสาหินพระเจ้าอโศกตรงเนี้ยที่สมบูรณ์ที่สุดจะมีรูปหินอยู่เสาก็สวยจะมีรูปติดจะมีรูปสิง สี่บางทีก็เป็นตัวเดียวบางทีก็เป็นสีตัวาหาันหน้าไปชนอาทิตย์ปฏิรักษ์ของเทพเดียวก็ว่าใช้สิงเนี่ยจะเป็นสิงสีทท่ที่พบที่ที่เมืองสารนาศที่แรกที่เป็นสุทูที่พระพุทธเจ้าพบกับเจ้าพักีอันนี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็เมืองที่วัดป่ามหาวันเนี่ยเป็นวัดป่าซึ่งมีการบวชพิธี รูปแรกก็คือพะพนางประชาวดีซึ่งเป็นน้าของพระพุทธเจ้านะพรานสามาขอบวชต้องมาสามคนพุทธเจ้าไม่ยอมให้บวชถึงห้าพระอา น, นุนคล้ายมาขอร้องหรือว่ามามามาตัดให้อีกครั้งนึงพุทธเจ้าก็จะยอมให้บวช็เลยมีพิธีครั้งแรกที่นี่นะที่วัสามหาวันแต่คนก็จะมาจาที่นี่ด้วยเหตุผลท่างด้านมีเสร เสาโซ่ที่สมบูรณ์นะก็เป็นวัดปา่ามหาบันตรงนี้เลยตรงใกล e, ้ๆกันก็เป็นการคพบพระบรมสารีรกกธาซึ่งอ่าเรียกว่าพระไทยจะได้ยินพบพระเจ้าลิ้นชิีลิ้นชิลีนี่จะปกครองจะเป็นเรียกว่าสาธารมรัตไม่ใช่เป็นประการปกครองแต่เป็นเรื่อไร้คณะอราท์เป็นการประชุมการปกครองแล้วับที่เมือนนี้จะเป็นเมืองหลวนของของพระเจ้าลิ้นชิี จะมีก็กรเป็นสาบันที่ภาพที่แต่างกันมารวนี้ก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยนาดันทาอย่ในเมืองเนารันทาใกล้กับเมืองราชบุรีนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดนะยังสมัยพุทธกาลไม่นานคนระับก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยสงมีการสอนเรื่องบาลีเรื่องปัญญาพุทธศาสนาช่วงนั้นตอนหนังก็ กว้างขวางไปเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็การแพทย์ทางสังคมที่่งใหญ่มากมีคนมาเรียนบางช่วงไดเใชนหมื่นๆแต่มหาวิทยาลัยนี้ก็โดนเรียกว่าโดนเผาเขาบอกว่าเผาตำราตำราเรียนโดนเผาเป็นเดือนๆกนนะว่าจะหมดตอนนี้เป็นสืบ ข, ของพระสารีบุตนรนะที่สร้างมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่าตอนนี้ เขาทำใารกันว่าเป็นบ้านเกิดของภระสารีบุตรพระาริบุตรคืออัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเบื้องขวาแท้ๆเป็นเป็นเดขามือขวาเนาะเป็นมือขวาพระพุทธเจ้ า, า, า, ามีปัญญาล้ำเลิศนนะแสดงธรรมได้ได้แยกคายได้แตกฉานมหาเลรแห่งนี้ก็เนี่ยเขาเขาก็เชื่อว่ามาตั้งที่หมู่บ้านของภาษารีบุตรแล้วก็เอาพระ อธิษานของพระตา่ถษฎมาสร้างเป็นสถูตตรงนี้อาตมา ก, ก็ไม่แน่ใจว่าประปตูองค์เล็กนี้หรือว่าคงใหญ่นี้นะแต่เขาว่าประมาณตรงนี้ตำแหน่งเขาก็บอกไม่ชัดนะก็ เ, เลยข้ามมาอีกที่หนึ่งไม่ไกลเมืองมาลาจิเคร์ที่นี่ก็เป็นวันสำคัญในช่วงที่พวกเราไปก็คือเมื่อวันหนึ่งเดือนที่ผ่า น, านนะามาเนาะปัตมาคับูชา18นะ ภูมิภาคพันปีที่ได้วเออเดือนที่แล้ ว, ลวตรงสถานที่เนะี้ยที่เป็นเล็กๆเนี่ยเป็นที่ที่เขามีหลักฐานว่าพระเจ้เจาพบกับเรียกว่าเอเดที่ครูอุปสรรประทาทั้งหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปซึ่งมาประชุมกันโดยไม่ใช่นัดหมายที่ตรงนี้นี่เองที่วัดเบรุวันเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนานะอ่าวัดเบรุวันพระเจ้าชินทสารถวายเบรวันแปลว่าป่าไผ่ เนี่ยก็พระพุทธเจ้าแสดงทางตรงนี้เนาะพระเจ้าท่านโกโคบีเรียกว่าเสียงคำวานนะสมไมก่อนพโกมคมีพิมาแต่พิสุทธ์สม 1,250 รูปมาประชุมกันนิ่งสงบปาโอวาคาติโม่การไม่ทำบาปทั้งตัวการความสุขในถึงพรอการชำระจิตของตอนให้ขาวสะอาดคือโอวาเร์่บอรที่พระเจ้าท่านสอนก็ได้มา ไยว้าระนต่ละมีคณะประสงไทยมากันเป็นรถรถบัสใหญ่ๆแต่พวกเรา่ปันแค่คก <c oughs> ต่อมาก็เลยมาอีกนิดนึงนะก็ตรง น, นี้เรียกว่ายอดเขาขิดกูลูเราตำแหน่งที่ต้องไม่ชี้นะั่นนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นกุติของพระพุทธเจ้าก็เรียกวมูลคณสบสุตีสุตีที่พุทธเจ้าจอยู่บนยอดเขา หลังจากพระเจ้าท่านเจรจาซึ่งที่แรกที่ปราบอุติสนะมฤดกชายวัยนแลท่าน้นามาที่กรุงรชัชทิตนตัวนี้แหละพบพระเจ้าพึมพิสารตอพระเจ้าพิมพสารพราพิมพิสาก็เลยที่มนต์ได้ไปอยู่ตรงวัดเบญุวันวบ้างอยู่ที่เขาทิชกูดบ้างไม่ใชนะ่กันตรงนี้เป็นยอดเขาทิชกูดสุดตนนิพระพุทธองค์ก็เล็กๆเน่ยนะเล็กๆนะเรียกง่ายแล้วก็เป็นกรากราชแล้วก็เนี่ยก็านวรจะเห็นในเมือง เมืองราชสิดจะอยู่ประมาณตรงที่ตำแหน่งวูกศรที่มาเทียดอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นเหมืองราชสุดเ่าครับครพุทธเจ้าเข อ, อ, อยู่ข้างบนก็มีเตชินนะอยูสมัยพุทธการอยู่แบบไหนก็มีเตชินต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีที่ตรงต่ำจากตรงกุฏิครูพุทธเจ้านิดนึนงก็ ตรนี้เรียกว่าเป็นถ้ำของถ้ำสุคราชขาตานะเป็นถ้ำที่พระสาริบุตรเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถวายมันพัะแก่พระพุทธเจ้าหลังจากที่บวชแล้วออนั่งรับที่รู้ทํามแล้วสิบห้าวันเขาก็มาที่เนี่ยพระเจ้าก็แสดงคำแก่หลานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรพักให้พระเจ้าอยู่ตามถ้ำแล้วก็มารู้ธรรมที่ตรงนีนะ้เป็นถ้ำของภระสารีบุตร เล็กๆนะต่อมาก็ถ้ำนี้ก็เป็น่้งของพัะโมคค า, านะบ้างก็อยู่ห่างกัสัก 10-20 เมตรนะเดินลงมาที่หนึ่งต า, า, นะามตระโมคลานะกอมีวางกว้าเล็กๆเหมือนกันพรโมคานะก็เป็นอักขระสาวเบื้องซ้ายของพระเจ้าพระโมคค า, านะภาษาดีบุตรีสิ่เพื่อนกันเป็นชายรูป ออกเศษผีของหม e. like ู่บ้านคนละหมู่บ้านหมู <Hey. S 1> country, uh, Rome, ่บ้านตารีบุตรหมู่บ้านโมกุระนะที่หมู่บ้านจำไม่ได้นะเป็นหมู่บบ้านใกล้ๆกันเพราะโมกุระนะตารีบุตรนี่ตอเป็นหนงก็ไปเที่ยวเดทกันเที่ยวเศษได้ร่อนเดทกันพอถึงวันนึงเบื่อหน่ายทางโลกเหมือนๆกันเบื่อหน่ายทางโลกก็เลยชวนกันว่าเออเราเออไปเที่ยวที่ไหนนะ แล้วก็ไปจะมาหมดแล้วความสุขอะไรที่ฐานะลูกเศรษฐีจะมีเราก็เสกมาเยอะแล้ ว, เ, มมลวเราแสดงหาธรรมะดีกว่าก็บอกกันเลยว่าให้เราแยกย้ายกันนะใครเจอทู้รู้ใครเจอธรรมะกก่อให้กลับมาบอกกันตอนแรกก็ไปอยู่ยกับอาจารย์สันชัยก็ยังไม่ถึงทางเนาะยังไม่ใช่ทางพอภาษารีบุตรไปพบพระอัจฉริก็เลยเข้าใจธรรมะลุกต พระอัจฉริยสอนเบิ้องบนว่นาสิ่งใดสี่หนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งตัวมีการกลับไปเป็นธรรมดาอ่าพุทธประกาศโดยส่ฟังแค่นี้นะบรรลุธรรมเป็นพระอ่าเป็นไม่ว่าเป็นพระโสดาบาันก็กลับมาบอกพระโมคคะลานะพระโมคคนะลนะก็รูุ้ธรรมเป็นโสดาบาันเหมือนกันก็เลยมาขอบวชกับพุะโตษะโอันนี้เป็นพระพระโมคคะลานะพวกเราก็มีจุกใจเก็บตัวนำความสะอาดน แต่งไปด้วย A แผ่นใบตี A ทองคบทองสองแผ่นนะองดีลนะที่เขาไป็นหินแล้วก็ไปเก็บตุเ่เศษกระดาษนะอันนี้ก็ตัดลงมานิดหนึ่งเป็นรอยเวียนโบราณตัแต่สมไมพุทธกานะเวียนนะอันนี้เป็นหิ่นนะเวียนที่ ร, รูเข้ารากเกวียนบปไหล หมื่นหลายแสนรอบเนี่ยมันทำให้ร่องหินใครจะล่องแบบเนี้ยหยุดคิดดการเดินทางสมัยเวลานะเขาไปผมร้อยเกวียนโบราณ็ยุดไม่ไกลเลยทีเดียวคราวนี้เราก็มาถึงแล้วที่แม่น้ำเมรัญชาลาก็เป็นแม่น้ำที่พระเจ้าท่านพบกับน้ำคือชาตานะครับได้ถ่ภาพในทุกใบหญาา แล้วพออจากข้าวเสร็จท่างก็ลอยถาดอธิษฐานว่าอ่าจะได้เป็นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจะได้เข้าสู่ธรรมะหรือเปล่าถ้าถาดมันลอยตามกระแสนะ้ําแต่ว่าเราก็คงโดยเฉลี่ยมากไปแต่ถาที่พูดองค์ท่านอธิษฐานลอยควยนนะ้นะํำก็แล้วก็จบลงไปในใต้บาดาลนะอันนี้ก็เป็นแม่นะ้ำเนี่ยเป็นเนเลเชลัสไปกี่ครั้งก็จะเห็นแต่ตายอย่างนี้นะครับ ใส่เจ็ดใส่สามสี่ครั้งก็เห็นเจ็ดใส่แล้เนี่ยเขาเดินก็เลยต้องเดินล้เข้าไปดูแล้วก็มีเด็กมีเด็กอินเดีย่องคนก็มาพูดคุยด้วยเสื้อแดงนี่คุยภาษาอังกฤษพอใชได้เสื่อหลืองนี่คุยไม่ใช้ได้แดงก็เดินดูได้กันได้นะแดไม่ได้เขาก็ไปชื่อมือภาษาอังกฤษแล้วก็เ้าก็บอกเขาวุ่ดน้ไม่ดอ่ะขุดน้ำไม่ดีไม่น้ำอยู่ตรงไหนเขาก็ไปขุดให้ดูลเจอนื้อ หรือไม่ใช่แห้งมามำแต่น้ำ อ, อยู่ใต้ดินก่อนอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่พร เ, เจ้าก็เรียกว่าเขาคือที่ <c oughs> เป็นที่ที่พระเจ้าท่านบำเพ็ญลกพระจุยาเนี่ยเป็นท่าที่เนีย่ยดูเห็นรูปเนาะเป็นปา่างที่บำเพ็ญลูกพระจุยาอยู่ในท่าทรุ่นเรกอย่างนี้อาจจะเสือก6ปีนะ บวข้าวปวดน้ำเอาเรีดตันกรดะด่างไม่ว่าทรมานร่างกายอยู่ตรงเนี้ยกือหกปีแต่ถ้ทเห็นว่าไม่ใช่ทางแลง น, นนะเราทรมานร่างกายจนปุกที่ร่างกายเจ็ดคนไม่ไหวแล้วถ้าทำต่อไปจะเจ็บตายอย่างเดียวก็เลยคิดเลยว่ามาันจะได้ยินเสียงกินตามสายสายนึ่งมันหย่อดเกินไปก็ไม่ใช่ทาง สา่มือตึงกันไปใกล้จะขาดแล้วเราก็ตึงจนใกล้จะขาดแล้วที่ถึงที่ที่พอดีเป็นทางสายกาเราตัดมาโดยการที่พบกับนางพูเสลาบางทีเนาะแล้วก็เนี่ยว่าเมื่อเสวยอาหารเสร็จล้วก็เดินมือจะเดินตอนบ่ายหรือตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเนี่นรถถ้าก็มาเดินที่นี่ครับที่ในลุกพงเด็กสีทอมเนี่ย สีดแดงๆ น, นัน่นมงเห็นไหมสีแดงเป็นแท่นก็เรียกว่าแท่นวันชระอาคุณเจ้าท่า น, นั่งตัวนี้แหละนั่งหําหลังให้กับนะต้นโเนั่นต้นโพเยู่ทางเมรัฐนั่งหันหลังให้กับต้นโพหานเ ข, าข้าๆไปทางแม่น้ำเนรัชรานั่งแล้วก็อธิษฐานคิตเลยว่านะแม้หนังเอ็กระดูกเนื้อเลือดเป็นเหมือแนแท่งดก็ตามตากใบ ถ้าเรายัางมีรู้เป็นพระอาหารหัรตานั้นเราจะไม่รู้จักอาสนะนี้ตั้งใจเอาชีวิตขาอแรกเลยนะตั้งใจนั่งตรงนี้แล้วก็ทําอะไรถ้าไม่ใช่นั่งติดเลยท่านนั่งเจเริยนสตปัปฐาทนะ่านนั่งคือสตรีปฐาที่ตรงเนี้ยในคืนวันที่เดือนหกนะหรือวันวิสซาปูชาท่านะนั่งใต้ตส้นโคตรงนี้แหนะละเพราะแทนะ่นพราจะอาก็อยู่ระหว่างเ้นโคกับเจดี เจดีแน่นเป็นเดีที่เรียกว่าเป็นเจดีพุทธายาเก็จะมีชาวพุทธว่าฮายนี่เป็นชาวพุทธที่นับถือแบบทิเบตนะก็จะมีครับจากประเทศทิเบตเองหรือทิเบตที่เขาพอยกมาอยู่อินเดียแล้วอยู่เป็นชาวทิเบตจากเนปาจากพูธานหรือเป็นชาวพูธานชาวเนปาเก็จะได้ไป้ทหมดพอดีเคร่องที่เราไปมันเป็นช่องที่งานตรวจ ใกล้วันตรีใหม่ชาเดียวชาติเบสมาวันนั้นมาว่าเป็นหนึ่งคนนะเราต้องไปตีตัวตั้งแต่เช้า็นเย็นชานะวพุทข้างในก็ามาอย่างนี้เขคุปตไปมาสั ก, การะสัเลนำะป ฏ, ฏิบัติธรรเขข้างในได้เจดีย์พุทัคญาพวกก็จะมาไปก็ไปถึงก็หาที่ป ฏ, ฏิบัติธรรการนี้ไม่กี่อคนที่ไปไปัปฏิบัติตรนี้ ใครจะไปวัดที่ไหนก็แยกใจกันไปนะฮือตอนเย็นก็มีนักการทำวัดเย็นหน้ามัมเย็นที่ตรงไหนนะครัทบทำวัดกันเนี่ยรอบๆดีๆมันมีทุกอี่ยันยๆชาวาสังเกตุเพิ่งเสร็จจากกานตรวจเราไปเจริญตับไ ป, ไปทางอาหารกันแต่เต้นเป็นหมดเลยนะมีการแจกทาน้ามีการทำบุญกันบ้าแล้วก็มีการตาแตะช้างเข้าไปดนะินี่ตอนเ่ามันยังมีนะ บางครั้งบางคืก็จะมีอันนี้เป็นเป็นที่กายหนึงนะ่งงานตรวจที่พวกเราไปเป็นของที่กายทีมาฝากกุ่ม น, นี้ก็เป็นของที่มาฝากของการแจกเขาบอกว่าการตรวจในตอนเช้าเป็นพื้นฐานต้องผ่านการตรวจแบบนั้นมาก่อนแล้วคือจะมาฝึกสมาธิแบบอะไรยวนูนนะเขามือมือขวาถือกองกองสองหน้าคล้ายคล้ายกอกอกแตก ที่จะเก็บได้ น, นนะแต่เปนใหญ่ขนาดนั้นนะฟองสองหน้าแล้ ม, มือซ้ายสัตย์ดิบแล้วก็ปากก็เกิดไปพร้ อ, เอมเข้าก็ายามทาสามอย่างพร้อมกันมือขวาจีกองมือซ้ายสัตย์ดิบแล้วก็ปากก็สวดหมดไปด้วยเป็นจังหวะพร้อมียงกันจังหวะจีกองพร้อมกินกันจังหวะหยุดพร้ อ, อมกินกันสวดพร้อมียงกันเป็นการฝึกสมาธิเพื่นะอไม่ให้ใจบล็อกบบไปที่อื่นอันนี้คือ ถราเราจับประัะนะจะเป็นสมาธิจะมากก ว, ว, ว, ว่าเพราะว่าถ้าทำแบบหลายๆอยากพร้อมกันเพื่อให้ใจไม่วอกแวกไปที่ดีแต่พอเราทำแค่อย่างเดียวเราก็คอยรูว่ารัแต่ที่วอกแวกไปในกระดับปฏิปทานนะแต่ต่างกันนะถ้าดับของสมาธิบางทีเราคิดว่าอย่างวันทีเรากำหนดบริกรรมอะไรเข้าไปเพราะว่าทั้งเดินด้วยกั้บริกรรด้วยเรียว่าทำสออย่างพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อให้ใจไม่วอกไปไปที่อื่น ถ้ทาทํำแบบนั้นาได้สมาธิเป็หลัก น, ยนนะิยมะก็คือสมาธิเป็นการที่ไม่ให้ใจวอกแวกให้ใจสงบควบคาเฉแต่อาจจะยังไม่เกิปัญญา ไ, ได้แต่ถ้าเราเอาหลักแค่อย่างเดียวแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจที่เผลอไปนะั้นจะได้ปัญญาหนระือวิปัญนาแต่แต่ ต, า ง, ตางกับสมาะานมาทานกับพิปัญญาสมาทานสมาทานคำนวณกดข่มอารมณ์ไว้พิปัญนารู้เห็นสับสนปีก นี่เป็นเจดีย์า้มคืนเนาะอย่างขั้มคืกนก็เปิดไฟแต่งสีให้สวา mm hmm. ่างมากก็ภาวนากันตรงบริเวณเจดี hmm. ก็จะเปิดตั้งแต่ตีสีส่เป็นตีสามทุ่มกนะ็จะมีคนเข้าไปแต่งตีสี่สามทุ่ก็มีคนออกมาแบบทับวันก็มีคนไปอยู่แล้วก็จะมาก็้าไปถึง้านไหนก็ส่วนมนพระบัทที่วัดที่เราพักแล้วเข้ามาเจดี บวันก็เข้ามาเลยบาวันจ็ดแทเสรตก็ไปเข้ามาเดินมาไม่ไกลวัดอยู่หลังดีๆนั่นคะืค่อนข้า ง, างจะดีท่านเปรตจะเชื่อกันแบบเขาจะกราบะเรยว่าเดินาไปกาบหลว่อท่านก็ดะกาถึงตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปกราต่อกาบรอบเพียดียนะโยมใครจะเดินสวไปสวนมาก็เป็นสวนที่จะกราบนะครัให้คนเดินหลบออก กเราไเดประทัดสิ่รอบงรองเจดีาาสามรอบคนตาขาตากสามรอบบคนก็ตากรอบใหญ่เลยหนระือถ้าคำที่เปตคนที่เเดินใจได้จับนะจากเขานี่ไปถูกเขานันนะมีคนไช้คนนะไปเดินตากไปอาจารย์ไป่อนอาจารย์ออาารยตอนที่คณะส อ, ศอาานศาสตร์ศิเขาก็เขียนประสบการณ์เขาได้ไปเดินตาบแต่มาเขาก็อที่ ประเทศท่เนนะบตนี่ยนับ18วันประมาณ80กิโลเมตรนะมันเ่การยากทำสื่อมกูที่สนะี่กอเนาะทีคอนเสิร์มหาโตเรียกว่าทั้งวันนัะ้คืน อ, อยู่บางทุบางคนก็ตัดแต่บางคนก็ไม่ตัด น, นะเห็นไนะมมีกระโจมไม่ได้เปิดมุ้งนะม า, ม า, ามาเรียกว่ามาภาวนาระไรตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องทำบัตรเสียเพิ่ม100ดยลลาค่าเข้าอยู่ ในยาพิการมานั่งสมาธิบ้างบางคนก็เดินจงกรมบางคนก็กราบผ่านเข้าประดิษฐ์บางคนก็พอเหน่อยล้าก็จำวัดบางคนก็มีสถิตั้างคืนก็มี น, นั่งแต่แต่ถือว่าพุทธทัศญยาติเปิดโอกาสให้คนมาอยู่ได้24ชั่วโมงนะเข้ามาอยู่ภาวน า, นวากันก็บรรยากาศก็มีแตคนภาวนาคนมาอกี่ยวเขาดีน้อยมากก็ดีนะ มีภาพฟอร์มาขออ่าขอเช่าทัพเที่ยวแบบนี้ก็มีนะแต่เป็นใหญ่เป็นพระจริงเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงพ่มาสักการะพุทธสถานแล้วก็มาภาวนากันแล้วแดงของคนที่ภาวนานะบางคนสวดมนต์ไหว้ครับบางคนก็เดินจงกมบางคนตากครับโอ้แบบบรรยากาศแบบดีมากๆนะเห็นคนท่างนี้นทําก็ไม่สนใจกัน อย่าพอจะมาไปก็ส่วนใหญก็ไปยกมือสร้างนวัสดิ์กันนะ <Julia. S 1> ไปนั่งยกมือส้างนวัสที่ตรงไหนบางคนก็เคยยกมือสร้าสวัสดิ์เขาก็เข้ามาทักอย่างไปวันแรกก็มีพระชาวจีนสองคนนะเด็กเรากยกมือสร้างัสดิเขาก็มาทักครหลวงพอเทียนนะทุกตรงชาติอ่าใใช่ก็เคยจังบัดต่ า, ททางนะแนวหลวงพอเทียนหอกันที่ประเทศจีนเราพอเห็นเรายกมือเ้าก็เลยมาัก รู้จกหลวงพ่อเขียนด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่ารัตนจงกรมตรงแม่เห็นแม่แท่นนนะเป็นเป็นรอยสะบัดของพระพุทธเจ้าเขาปฏฐาแบบนั้นก็คือว่าเป็นที่ที่พระเจ้าหลังจากตัดสัตว์แล้วสัปดาห์ที่สามปัดตาแรกท่านช่างที่ใต้ทั้งสีมหาโพธิ์เจ็ดวันตัดาที่สองท่านมาดียนอยู่อีกเจดีนึงอยู่หลังตรงนี้นะยืนบอกก็โผอีกเจ็ดวัน สัปดาห์ที่สามทานมาเดินจงกรมที่ข่างนโพนี่อีกเจ็ดวันอัปดาห์ที่สีท่านก็ไปอีกที่นึ่เป็นวิมาแก้วนะที่เทวดามาสร้างมาแก้วพ่ออีกเจ็ดวันไปอีสัพุตจิไปอีกที่โดทั้งหมดเจ็ัปดาหี่ิบ้าวันไม่สวยอาหารอะไรเลยอยู่ในที่เจ็ดเจ็ที่เจ็วันที่ลเจ็วันสี่เก้าวัน จากจัตศีหรือวันก็ได้ค่อยคิดไปโปรดเป็จาวาทีเดินจากที่นี่ไปที่ปลายถึงน้ำมฤคทยวันเดยนที่ตประมาณานะถ้าจะเดินกว่ากว่าเนาะตัดจรู้วันเป็นเดือนหกไปโปรดเ็จัหวาทีเปนน็นเนพะียงเดือนแปก็สองเดือนเนาะแต่หักอีสี่จุดเก้าวันที่สมุยวิมุติสุดเนี่ยถ้านเดินไปนะอ่าเดี๋ยวจะาจบโปาดถ้าในนี้ก็ ปีพปนนุทธศตวรรษพุทธนานพุกันานเลยเข้าพุทธเมตตาเห็นความเมตตาความอดรรพ์ใ น, ในตใน้องนึกนวลในอับทั้งแล้วก็เอ้ทั้งหมดของพุทธองค์นะใครมากระดาบไหวเข้ า, า, าดูเข้ามาเข้าตาเขาก็เข้าพเมตตาอย่างสุดใจนะเขากล่าวแล้วเขาก็จะมีที่นเลยนไปต่างออกไปเปิดทั้งคนคนตรงตะปูนั้นนะ่ะ กกเอาดาบอามือแ ต, แต่ที่หน้าตาเองแล้วก็ด้วยไฟต่องออกไปเพราะพุทเมตตามีเมตตามากนะอยู่รอดปลอดภัยมา ไ, นะไม่ลบทำร้ายแต่ก็เกืือดโดนทำร้ายแทนอต่พุทธเมตตาที่เราเห็นาามา ก, กเป็นตระแทนของพระเจ้านะนนเนาะสุดพระเจ้าที่อยู่ตรงอยู่ตรงตะปูของพระพทยาก่อนตัดพวกเราก็ จองตัวกับที่เมืองคาสตาเป็นเมืองหลวงเก่าของนะอิตาเลัยนนะก็พอดีก็แวะขึ้นมาได้ว่าที่เมือง น, นี้มีบุคคลสำคัญอยู่คนหนึ่งคือนี่นะแมชีเตเลซ่านะมาเธอเตเลซ่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวบงานสัคน ง, งคมสงเคราะห์งานช่ยเหือผู้ประสบผู้ต้โอกาสหรือคนใกล้จะตายก็เลยที่พักตมใกใกล้ก็ ได้กับไมค์นะี้เฮเลนซาเลยแล้มบางทีก็จะได้มาตาเออได้มาดูตกของเมค์กี <S <S, <S ้เฮเามาเห็นวิถีชีวิตของเขานะได้เป็นข้องของเมค์ีเฮเลนซานะในกระเด้นะประมาณสักสามเมตรคูณสามเมได้มีเตียงนอนอยู่เตียงนึงมีก็ทำงานอยู่โต๊ะนึงแล้วก็สู้เก็บของอยู่ที่หนึ่งเขบอกที่นี่คือที่ที่นอยและที่ทางานของไมค์ีเฮตา คนสมายใหญ่นะแต่เีว่าอยู่แบบสมาธามากเป็นโมของแม่ีพัเดชพัเดชีก็จะมีแม่ีที่สมาสาต่อแบบนี้เยอว่าคิ่าัจแล้วก็องค์มรดกอื่้ๆแม่ีเทราาไม่ใช่ชาวอินเดียแต่ก็มาอยู่อินเดียเทราาเป็นทิสิเต้ยเป็นคนเมือของอินเดียนะเป็นไม่ใช่ทำเกิจกคนอินเดียนะแต่ก็อย่างทำเกิจเทราซไดโนเบลไซด์ครับ ที่ประกาศว่าเป็น诺贝尔สติปัตย<笑>์ก<ม> <K _> ็ให้ดูเนานี่เป็นศาสตราจา ท, ที่อินเดียแล้วก็เนปาแลแต่ก็ที่มันเมื่องราวมันเยอะกว่า น, นี้มากเลยพัฒนาไปสามสิบวันต่อมานั้นคณะไม่ทีแล้วก็ท้าอาจารย์ตุ้มขึ้นไปก่อนอีกอาทิตย์นึงนะ่งเราต้องอยู่นานกว่าอีกอาทิตย์นี้ก็ไปหลายที่หลายแห่งก็ทำมาให้พวกเราเห็นว่า การไปจาริกตามรอยบาปขระพุทธเจ้า ก, ก็มันได้ดทั้ประโยชน์ตัเองด้วยนะได้ปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆไ้เกิดศรัทธาจากเหตุที่ชาวพุทธที่ต่างๆมารวมกันโดยแม่รับหมายนะมาทําการภาวนาปฏิบัติธรรมแต่แต่และที่ตายคือการแบ่งแยกเพราะนั่นคือเขานะั่นคือเราแต่และคนก็มีจุดหมายที่เขาต้าองทำผสมต้องสอบต้องซุกเหมือนกัน เห็นทุกคนขังเซนติมิเป็นญาติพันธยมเห็นชาวอันนี้เป็นชาวคูฐานเห็นชาวที่เกลดเห็นชาวอินเดียเห็นชาวมิาก็เป็นญาติเรานั้นญาติธรรมจริงๆนะเอาไว้ญาติธรรมมันเรื่องขึ้นจริงๆนะเห็นการเลิกปิจิีญาตักใสให้กันกันเนาะก็ในเราที่ชมวาพระพุทธเจ้าท่านแม้ปริญญานานมาแล้วแต่คุณประโยชน์ท่านกยังเชื่อว่า ศตุภูรพวกเราตอนนี้เนาะก็เป็นการเดินทางด้วยสวีดนะเป็นสน่วยประกอบเรากำลังยายเดี๋ยวตอนท้ายจะมีอีกนิดนึงนะไม่นานเป็นในส่วนของคนที่มีประสบการณ์ในการเดินทางดิ้เหมือนกันนะท่เคยเดินทางดิ้ที่อินเดียด้วยเดินจากเชียงใหม่สู่สุราคานีด้วยครับ หลายคนอนจะเคยได้ยินชื่ออาจารย์ะมวลมวิญจัติเมื่อปี2548แล้ก็ได้เดินจากเชียงใหม่พราวออกจากอาจารย์ที่มอชอเดินกลับบ้านโดนที่เกาะสมุยนะก็เป็นาส่วนสัมภาษณ์ของรายการวิทย์ชีวิตซึ่งก็เอามาแบ่งปันพวกเราแล้วก็วเราจะได้ได้ยินว่าได้ฟังคำพูดจากสมวรวิญญัติเป็นยังไงอาจจะที่ได้เห็น อ, นอาจารย์ที่ออกทุณเข้ามา ผู้ที่พบเห็นต่างรู้สึกประหลาดใจเพราะเขาไม่พบกันสิบตัวแม้แต่บาทเดียวการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นตั้งอยู่บนคำถา ม, ถามและคว า, ามสงสัยมากมายทำไมเพราะอะไร ถารู้จิงผมก็น่าจะหมดทุกสิเพราะการรู้พระพุทธศาสนาคือมายความว่าับทุกได้ใช่ไหมครับแต่ผมยังมีทุกข์ก็แสดงผมรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทําให้เกิดความรู้จริงเนี่ยเป็นสิที่ผมตักษาและตรงนี้เองเป็นที่มาที่ผมสรุปสรุปเองนะครับว่าความคิดไม่สามาร ถ, ถาผมเข้าไปถึงความหม า, หายที่แท้พบพบาาจริงแในพระพุทธวจนะได้ผมไม่สามารถรู้แจ้งความได้จาการคิดและตรงนี้เองนะครับผมยัยงมีความรู้จริงตอบอีกว่านอกจากที่รู้แจ้งเนความคิดล ค ว, ว, ว, วามคิดยเป็นอุปสรรคที่สามารถส่งเข้าใสสภาวะธรรมที่ถูกต้องเป็นสิ่งด้ยเมื่อความคิดกลายเป็นอุปสรรคดังนั้นวิธีอขจัดความคิดจึงต้องกำหนดจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องกังวลถึงอดีตและอนาคตดเยเหตุนี้การก้าวเดินจะก้าวด้วยจิตใจที่เบิกบาน จะเปลี่นได้อย่างวิธีแห่งการปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์การเดียนเนี่ยมให้เราสามารถใช้ร่างกายเพื่อเป็นสนองต่อความรู้สึกความต้องการของจิตใจผมเองในฐานคนพบความจริงอย่างหนึงว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถทําให้สิ่งที่มันเกิดกายภาพกับจิตสภาพเนี่ยมันประสานเป็นหน่งเดียวกันได้เนี่ยเราจะพบความสําคัญของการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำในฐานดบุญเลยก็คือจะได้มาทําสมาธิก็ได้ผมไม่ต้องการจะเลื่ออย่างนั้น ผมใช้ก้อนจิตขอ ง, ง, ขอ ง, ขอ ง, ขงผมอยู่กับการเดินด้านกายของผมอยู่กการเดินใจของมอยู่กับการเดินแลการเดินนั้นนะที่ผมทํางนี้จะตลอดเวลาครับจริงๆก็เป็นการให้คนไม่คิดนะครับจิตผมใช้ไปเพื่อการดูไม่ใช่เพื่อการคิดที่สุดแล้ววิธีแห่งการเดินจึงเป็นการบําเพ็ญเพียงทางกายเป็นการขจัดขึ้นความเปลี่ยนและความตัว ท, ทั้งยังก่อให้เกิด น, นิตัภาพอันยิ่งใหญ่ที่เพื่อนมนุษย์เพิ่งมีสักการเสียดได้ดังการค้นพบความหมายอันลึกลับของชีวิตผมจเจอมาหนึ่งเป็นเวลาย็นใกล้จะด้วยนะครัะแต่ผมเกิดจะไม่มีกํำลังที่จะเดินต่อไปได้เลยนะครับแล้ผมเป็นั่นหนึ่หรือแม่น้ำเพื่อให้ร่างการพื้นจะได้เดินต่ อ, อ, นอเอ น, ออนี่ยนะครับเช่วกันนะที่ผมนั่ ง, งอย่ก็เป็นในหมู่บ้านนั้นเขาผม จาั้นก็มีปตีชราคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นห่วงหลานหลาของเขาเองที่มาคุยกับผมก็จึงเดินมาดูด้วยมันก็มาดูด้วยและเห็นผมคุยอยู่กับหลานหลานของเขาแต่เขามารู้จากการที่ผมฟังที่ผมคุยเล่าเรื่องเด็กมาแล้ามผมว่าดูเดินมาดูกินข้าวที่ไหนผมบอกว่าดูปอดเขาไม่รู้กินที่ไหนก็เด็รู้ว่าผมป็นมีสั่งที่จะซื้กินใช่ไหมครับแล้วลูกทำอย่างไรว่าหิวผมบอกลูกเาไม่ได้ัำอย่างไรลูกไปนมกัดพิเศษและที่แบบนี้ลูกจะได้ ก็นต่วลาหลรู้สึกผิวก็กินข้าวตาผิก็จัดลงไปก็ที่หไม่รู้จัความิรไปเลยคิดว่าตอนนี้หลงได้เรียนรู้แล้วตาผิวนี่เป็นยังไงณะที่ผมป่วยอย่างนี้คุณยายก็ มันบอกไม่ถูกว่าทําอย่างไรทำใหมผคนนี้ต้องร้องไห้ขนาดนี้่เทีนึงที่ผมสามารถพูดอันแต่นะั้นคือ ว, วันที<ม>่พูดตามเลย่าผมไม่ได้กินข้า ว, วประจำแต่มันก็เป็นอา่านเช่นก็ขณะที่ผมกินข้าวไปในความหิวที่กำลังตกโวนผมเนี่ยมันหายไปมันในความสดชื่นมีนความรู้สึกที่ดีใ น, ในการที่ชีวิตอยู่ว่าผมต่างหากผมกินข้าวหมดนะครับผมยกตัวว่ า, ว า, วาวคุณยายคนนั้นแต่ผมไม่ได้กินกับแม่ผมแค่กัาอาหาร ต่อชีวิต ว่าทำไมเขาถึงไม่ปวดเป็นพราภิกสุแล้วออกจาริสตามแนวทางของพระทธองค์จริงๆไม่พึ่งของผมแน่เลยนะรครับผกเป็นครูนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าคําเป็นครูของผมเนียไม่คเคยวดป็นใจผมเวันที่ผมออกจากมาอะไรแล้ว นักก่ต้องา ล, ล่เขาบอกกันเขาเป็ขอางบด้วยผมไมปสอนก็ได้เป็นครูของเขาอู่แ้วผมไม่สอนสอนคำพูดว่าใช่ชีวิตผมเป็นครูอยู่ช่วงที่ดิผ ม, มอคนหนุ่มสาวไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยน่สาวเนี่ยในความรู้สึกว่า คิดดีๆจุดต้องมีหัวผมอยากให้เขาเปความเชื่อมันมาคิดที่เป็นอะไรก็ได้ทาอะไรก็ได้เป็นามคิดเนี่ยแต่เขาตั้งหาจะมีชีวิตที่ดีกันถ้าผมไม่หวถ้ากับผมบอกให้เขาว่าคุณกำันคุณอยากดีไม่ต้องพยายามอกเขาผมต้องการท่บอกเขาว่า้าทำอะไที่คุณทเป็น จึงไม่ใช่การถ่ายทอดที่แชาความรู้ในห้องเรียนีต่อไปแต่จะเป็นการแบ่งปันบทเรียนทางโลกธรรมเพื่อเป็นเครื่องเจือนสติแก่เพื่อมนมนุษย์ทุกคนผมพ่าเจ้าวิตีของเราต้องมีความรู้สึกแบบนั้นโอเคไม่มีเป้ามายใดมากไปกว่าว่า ไม่ได้มาทำอะไนเพื like ่อจะบอกอะไรนะครับแต่เพื่อจะเรียนมาแท้จิงนะชีวิตนี้ไม่ต้เป็นท่องยาบีแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยเนี่ยมีความเปิดมวางมีความยืาหยุร้อยข้อเดียวถามผมมีภารกิจอะไรผมไม่ได้ภารกิจอะไรผมมีหน้าที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุดถ้าเขาจ้ามันไม่นำการให้ใครเชื่อสาการสรชอนอย่าง พวกเราเนี่ยออกไปตั้งคาถามแล้วก็ค้นหาความจริงด้วยตัวเองและนี่ะครับสิ่งที่พวกเราเนั้นพยายามเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์จะไม่มีพระธรรมจะไม่มรูปจะไม่มีการกล่บบาววางกันบ้านนะหลับไหวันรยญจะดับไหมต้องก็มืนะตัวสวยอ อ, อ่ ก็ค็อการเดินทางนะฮะให้พวกเราได้เห็นการเดินทางในของจางนสมมุติอีกจานนึก็ไปายพันลูกคนได้ยินได้ฟังเนาะการเดินทางแบบพัสดุลมแต่ไม่ใช่แต่งตัวเป็นพระไม่ได้เสียเงินไปทัศบบารแต่เรสามารถผ่านไปเหองรอบจนถึงตุราธานีได้อก็หนังสือท่านจะมีนะเรื่องตูปิสรภาพ เขาไปอ่านดูว่ามีอะไรมากกว่านั้นบางบทที่เล่าออกมาแค่ปีนึีนะก็มีอะไรมากมายแต่มาชอบคํําคาพูดสุดท้ายของท่านนะจำได้ไหมสุดท้ายท่านบอกว่าอะไรต่างไปอาา่าได้ยังท่านขาดคำสุดท้ายมีหน้าที่ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข นะไม่ได้มีหน้าที่อะไรมา ก, ออ ก, กไปกนี้แล้วพอแค่แบบมีหน้าที่อย่างเดียวคืออยู่ในมีความสุข<ม>ใช่ไหมเราถา้ทาที่นี้บางที่เราดูคิด <c oughs> วนี่จะคิดให้มีนมมหน้าที่อย่างมีความสุขในชีวิตย่างมีความสุขใช่ไหมบางทีเรามีหน้าที่เป็นพนะ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพนักงานอะไรไปตงตามอางที้ก็เป็นหน้าที่เหมือนกันอะ แต่จะดูว่าหน้าที่กันมีชีวิตจะมีความสุขก็พุทธอาจารย์รพุทธทาสเป็นยังนี้แหละนะอนือย่าเสียทีได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์เนาะใช้หน้าที่ในการทาชีวิตมีความสุขจาทีสุวรรณทีส์เขาบอกว่าหน้าที่ในการเก็บพาดี่พอเกความทุกข์ก็คือความหมายใกล้เยียงกันนะนะก็หมายใช้แทนนีกันได้แต่ถ้าเรามองอยงว่าความสุขไม่ใช่แค่ความสุขในสนาน บางทีบางคนก็คิดว่าความสุขคือการได้ทิ่ได้เที่ยวได้อะไรใหม่ๆมานี่คือเรียกความสุขแต่ความสุขที่อาจารย์ประมวลพูดหรือว่าที่เปิดธรรมะที่เราพยายามย้ำความสุขที่แท้จริงคือความสุขใาใจที่ไม่ทุกข์นะความสุขที่เกิดในใไม่ทุกข์ความสุขที่เกิดจากความสงบสันติภายในจิตใจในจิตใจของเราพวกเราเห็นอะไรอีกนอกจากคำพูดสุดท้ายของอาจารย์ประมวล หรือได้ดูปลาของแชมพูทบีบนะในอินเดียในเนปาลนะงคาเคยไปไหมไมีใครเคยไปไหมเออเคยไปที่เที่ยวไรบ้าไปหลายที่หรือยัออองไปเท้าไะรเป็นยังไหนบะ้ไน า, า, า, าไปกับทัวรนะ์อยู่บะเทศ อยู่ประมาณเกือบสิดว่ดวดว่นเห็นตอนนั้นเรดีไหมว่าต้งองจับมาเชื่อเลยนี่กันยังไงเราต้องมีทางไปอยู่ เียวหมาแข่งเห็นไม่เห็นสนามมานองที่ท้าชสองแคปคูแฝงดาวต่าง้าดิเต็กๆพอแรกเมื่อแคปูขายเกลียดแต่จริงเป็นมาสองมากก็เด็นรูปแต่มาปีเดียรองเรือว่าที่มันไหมไม่ไหวเลยเหมือนมากแต่นิดเดียวก็าจริงนะคนเดียเราจะเขียวหมา อินเดีย่าก็มาอกันนะพม่าเขี้ยวมาไทยเราก็โดนโดนดลบไปก่อนเขาเี้ยวมาเยอะนะอนนี้ไม่เขี้ยวแล้วนะอินเดียเป็นประเทศที่หลากหลายก็ได้ครับหลากหลายศาสนาหลักหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษามากอันนั้นเราไเอาความหลากหลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสดงเนาะแต่ความหลาหลายสนใหญ่ มาว่าหลากหลายีลิเดียเป็นเป็นเมืองที่เรียกว่าใช้หัวเยอะนะไม่ใช่ใช้หัวคิดแต่ใช้ใช้หัวในการที่จะไม่ค่อยใช้กำลังมีอะไรก็ใช้เรืองเป็นประเภทเหมือนนักคิดอ่ะเหมือนนักคิดหาทางองอกจากามทุกคิ ด, คดอแอ บ, บหามีสาธุกจากสาา่านะมือก็โดน บางทีกะอาจจะใช้ศรัทธาความเชื่อเป็นตัวนาด้วยบางทีก็ถามไม่อาจจะมีคำอธิบายที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่เขาก็ใช้ศรัทธาทึ่งเคยทํา ต, ต่างๆ ก, กันมาตื่นตัวเชื่อแล้วก็ทำกนะํำแบบนั้นแหละแต่จะไม่อาจจะไม่เราไปไม่ให้ว่าไปสรุปหรือไปวิจารณ์ว่าอันนี้ถูกนี่ผิด น, นะเราไปในฐานะนนนการเรียนรู้แต่ก็เห็นว่า บางทีการมีศรัทธาความเชื่อวาทกรรมตเดิมมันจะทําให้ชีวิตเขาอยู่แบบเรียบง่ายมีความสุขไม่ค่อยยึดโยนมากมีความเชื่อมีความเชื่อที่จะอยู่บแบบเรียว่าพระเจ้าทําให้ชีวิตพ้นจากความทุกขได้นะครับเขาก็มีทีวิตธีเรียกว่าอยู่เรียบง่ายบูชาพระเจ้าวันลนะกี่รอบก็ไม่รู้อะไรแนันก็ทำไป ให้ชี่ิตมีความสุขคนละคนแต่ชาพวพุกธเราก็ไปกันเนยอะนะไปกันเนยอะไปกันพัฒนาจากหลายประเทศไปกันก็ต่างนิสัยกันก็ตึกนตีใสเสวยงามนะอสวยมาแต่ชื่อก็แตกแตกต่างกนแล้นนะปวปฏิบัติก็แตกต่างกันไปแต่หัวใจถ้าเข้าถึงจริงๆก็คงเข้าถึงความเป็นธรได้ครับ ถ, นะถ้าไม่หลงทางไม่ผิดทางนั้นก็ คงมีตรงนี้เป็นเป้าหมายเหมือนกั น, นแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็เหมือนเสริมกันนะ mm. บางที่ที่เขารักษาก็วัดแบบวัสตาให้คลสกัน mm. ก็ยังรักษาอยู่บางที่ที่ประยุกต์ไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้ก็มีมากมายครับอย่างชาวทิเบต น, นะพอทิเบตโดนประเทศจีนยึดครองประมาณเกือบ60ปีละทิเบตส่วนหนึ่งก็อพยพมาอยู่ทิเดียบ่างส่วนหนึ่งก็ ไปอยู่ทางตะวันตกยุโรปอเมริกาเขาบอกว่ามีชาวพื้นแบบทิเบตอาจจะอันไม่แน่ใจนะว่าเฉพาะประเทศทิเบตหรือว่าทางตะวันตกที่นขาอยูแบบทิเบตนนะั้นอยประมาณห้าห้าล้านคนในอเมริกา mm hmm. นี่อ่านมานะเนะขาว่าอย่านั้นก็คือแบบมันไปนโตที่โน้นนะประเทศทิเบตอาจจะที่เป็นส่วนของประเทศจีนเนะนะี่ยอาจจะโดนควบคุมอะไรต่างๆเยอะแล่วแหละ แต่ทีนี้ก็ไปโตที่อินเดียโตที่ตะวันตกก็เห็นความพุสลิของมแม้ความเชื่อจะไม่เหมือนกันแต่เขาก็เป็นร่องงานที่นุสลิมประยุกต์กับกวัฒนธรรมตะสันได้ง่ายชาวตะวันตกก็สนใจพุทธแบบเพราะองค์ในรามัชบ้างแบบทิเบตบ้างแบบเส้นบ้า ง, แบบบางแบบไทยบ้างมีบบหลายหลาแบบเขาทาให้คนที่เขาประหยัดที่หาตาออกถึงความพุทธก็เห็นพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่จะภาวนาคนทุกได้เขาก็ไม่ใช่เชาวพวกแบบของเราเป็นใหญ่นะเน้นคำดูเน้นําภาสนะแต่ของเขาเน้นภาวนาเน้นปัญญาเลยลนะ่ะคำดูคทภาส์เขาก็าทำตามที่นิดหน่ก็ทําปรอยู่แต่ไม่ทํำที่จะสร้างมาใหญตรงแต่เขาเน้นเอาตัวเองมาศึกษาภาวนาบางคนปวเป็นพระปวเป็นสา ม, มเณรดี คนก็เป็นคารวาชเชียุงและ э ก็ really มาภาวนาอยู่ที่ปบัติธรไปเลยอย่ีมเยแยะนะเมืองไทยเราก็เห็นเยอะเนาะในสังสายวัดหนองสระบุกสายลำโมงก็มีพระฝรั่พระญี่ปุ่นอะไรเยอะาทท่เบตก็มีชาวตะโมาหรือออย่าเี้ยเยอะเหมือนกันระเห็นแม้แต่หลวงพ่อเกียนก็ดีนะในอย่างประเทศจีนนะครับมีคนปฏิบัติแบบหลวงพ่อเกียนเยอะนะ ในวันตะวันตกที่เมกาก็เหมือนกันนะการเดียวกับแบบนี้มันคล้ายๆแล้วก็เอาเปคโยุลยีใช้กับที่ไปจับมันไม่เยอะนะมีคนสนใจเยอะแยะก็เห็นความงามในความหลากหลายแต่ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องทําเหมือนกันแต่เราคิดมุมใหม่กันใช่หมเหมือนโยมอ่ะบ้านอยู่คนละที่เนาะบางคนนั่งรถมาบางคนนั่งแท็กซี่มาบางคน นั่งรถเมลมาอบางคนมาเพีเดียวบางคนมาเป็นครอบครัวแต่เรามีจุดหมายที่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมที่ห้องนี้นะมาสมัครทีคนละทางแต่ก็มาถึงตรงนี้ได้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะบาทีดเราจะไปตกใส่ทุกแบบที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าการทำนั้นมันเป็ไปทุกความในทุกเป็นไปควบคับสมบูรณ์เป็นไปเพื่อรักกิเลสเป็นไปเพื่อเข้าถึงนิพพาน อันนั้นเป็นสิ่ที่พ้าสอนสงนันรูปแบบเป็นสีแค่เรียกว่ายาพาหนะพามาดิเฉยเปมาลถ ม, มีมาแท็กซี่เดินมาก็คือพาหันะที่พามาดิเฉยแต่จกหม้หรือว่าเข็มิดที่เาราต้องชี้ถูกทิก็คือต้องให้ตั้งเ้าเลยว่าเราเปฏิบัติไปเพื่อความ้นทุกข์ปฏบัติไปเพื่อรักอิเลสถ้าทำไปแล้ว กิเลสมันมากขึ้นทําไปแล้วอัตตาเองมันใหญ่ขึ้นทําไปแล้วความคุมกมันกลับมากมายขึ้นต้องควบตัวน่ะสอจิตวิญญาณนะ ด, าานะดูไปทําใจแล้วเห็นเออกิเลสมันน้อยลงไหมความคุก ม, มันเบาเบาไหมมันต้นลงไหมรู้ทันได้เร็วไหมอาจจะเห็นกิเลย์เยอะนะแต่กิเลยมันทำอะไรไม่ได้เามัๆๆๆนต่างกันนะไม่ใช่แต่ก่อนบางคนไม่เห็นกิเลย์ก็คิดว่าเองดีเองไม่คุกแล้วอันนั้นเป็นอีกเร่องหนึ่งนะ แต่พอปรถไฟบาทีเห็นกิเลสเยอะเห็นว่าจะเห็นทุกข์เยอะแต่การเห็นแล้วมันไม่ค่อยเข้าเป็นเปลนนี่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะเห็นกิเลสเกิดขึ้นมากมายเลยตามตาตามหูตามจมกตามนิสัยตามกายามใจแต่เห็นไปแล้วรู้ทัดได้เร็วรักได้เร็วไม่จิกมันตอนนี้ก็เป็นความก้าวหน้าหรือที่ความทุกบางทีบาคนที่ว่าพุกข์หนเกิดขึ้นเฉพาะตอนเจ็บไข้ป่วยตอนแก่ตอนจะตาย แต่ตอนนี้ปัญหามากๆแต่ถัาประโยชนเรื่อยๆนะมันจะมีปัญญาแค่เห็นว่าอาการย์ปรุแต่คนจิตนี่เป็นความทุกข์แล้วนะมันเป็นต้นเหตุของความผมไปเรื่องนๆ้แล้วนะถ้าต้นเห็นแบบนี้หรือไม่ได้เห็นว่ากายจะ ย, ยังไม่เลื่อนเส้นไหวก็เปื่องเรือบังบั้นทุกข์ทางกายนะนี่มันจะเห็นความทุกข์ในวิสิทธิที่แตกแตกต่างกันไปแต่ก่อนเราคิดว่าความทุกข์คือปัญหา มีปัญหาในชีวิตมีปัญหาร่างกายมีปัญหาจะตายนั่นะเรียกว่าเป็นความทุกข์ของคนทุกข์ต้ไปบาคนเราไปถามเขาว่าทุกข์ไหมเขาคิดว่าชีวิตตัวเองไม่ทุกข์มันต้องจบดีแต่นะั่นคือยังไม่เห็นว่าทุกข์ที่ใจจริงที่พระเจา้าตรัสก่อนคือเนี่ยทุกข์เพราะเกิดจากความยิดมั่นหรือมั่นเนี่ยคือความทุกข์คิดมั่นอะไรก็ น, นําไปสู่ความทุกข์ตรงนั้นยึดมั่นภายนอกก็ใช่ยึดมั่นภายในก็ใช่เหมือกัน มีทุจริตสอนเนี่ยสายสิ่งทุความทุกคือปัญหาอุปทานเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อรักตรงนี้นะเพื่อรัตรงนี้ตั้งเป้าหมายให้ถูกนะถ้าเราตั้งเป้าหมายถูกเดี๋ยวก็ออกจากความทุกข์ได้เหมืรู้ว่าที่นี่อยู่ตําแหน่งไหนเราก็ตั้งอ่าทิศทางให้ถูกครับรถมาถูกสายถึงก็ถึงตรง น, นี้ได้เป้าหมายคือพธิพ า, านก็เหมือนกันนะถ้าเราชัดเจนว่านิพพานคือความไม่ทุกข์ เราก็มาถึงที่ไม่ทุกได้นะที่จริงเข้ามาใกล้ขนาดไหนทาตอนไหนก็ได้รับผลตอนนั้นเนาะได้รับผลทันทีไม่ต้องรอจุดหมายก็ได้นะแค่ตั้งใจไปเดินมาถึงจุดหมายที่จริงตอนนั้นก็ในความไม่ทุกข์แล้วนะค่อยๆสังเกตอย่างเราสังเกตเนาะแต่เราปฏิบัติทําไปถ้าใจเราเป็นปกติอยู่ตอนนั้นเราก็ก็ถึงนิพพานแล้วนะถึงนิพพานในตอนนั้นแล้ว ถ้าเราเห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าเป็นความคิดตัดความคิดได้อันนั้นก็ถูกทางแล้วเนะี่ยอันนี้คือป้ายบอกทางเมื่อเรามาถูกทางครับแต่ก็มีเวลาไม่มา ก, นนพกเพาะสําหรับได้ดูตื่นเกีอบชั่วโมงหนึ่งนะเกือบชั่วโมงหนึ่งมีเวลาภาวานากักที่เกือบชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้กันนะแต่ตอนท้ายใครมีใครตักถาม ก็สงสัยก็ด <sh> <throat> well, so um, <un> ้สอบถามให้สงไัยใหจะไม่ใช่ให้ตกใจไม่ตัองถามนะนะแต่นั่งยืดมือไปเนาะครับนั่งพัก15นาทีนะเด็กๆก็เก่งกันนั่งๆเลยนะฝึกนักเรนเด็กๆก้ดีสีนะ ไม้กอนแต่ง่ายนะไม่แก่แั่จยากที่เราใไม้กอดเนี่ยมาจากที่ใซสอิสใจให้ดีๆทางานแบบนี้จะเป็นที่พึ่งกับเราไม่ต้องหลับตาไม่ต้นะ่งไม่ต้องหลับตาดืมตาบอกไปสบายๆยกยกมือไม่ต้องยกสูงเนาะยกแค่ไม่ยกมือไม่ต้องไม่ยกนั่งแข่งเนาะ เอาแค่ักหนึ่งไม่ต้องยกแทนยกแทนจำเป็นจังหวะเป็นจังหวะรู้ถึงพักเมื่อเป็นพักรู้บ้างหลนบ้างไม่เป็นไรนะอย่าเป็นคนขมบังคับเขาไว้เขาจะไปก็รู้ว่าเขาไปกลับมารู้สึกไหม่ ตั้ใจแต่เกินไปนะตั้ใเรียนรูิงตางขึ้นไ ป, ไ ป, ไปแตถ้ามันเกินไป เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนนั่งกับสมาธิเงี่ยเปลี่ยนเป็นนั่งคับเทีย่ยงไหนที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างนี้สิไม่จะเป็นต้องว่าให้มันพนมมีการสรงมันหายปวดอะไรเงียไหมไม่ใช่นะรู้ว่าปวดแล้วตักเงินแล้วมันพอสมควนแล้วก็เปลี่ยนเปี่ยนเป็นท้านั่งบ้างนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับหรือว่าเปลี่ยนไปเติมอะไรบ้างตัวเราเปลี่ยนรู้สึกติด เด ง, งกมกันเนะเดินจงกรมกันที่จริมันแล้วแต่แต่คนน่ะจะเปลี่ยนอะไรก็ แ, แต่พวเรามาเป็นกลุ่มนะครับสถานที่ไม่พอก็คนนีกเดินงกมกันได้แต่ถ้าใครจะนั่งอาจจะหามุมหรือหามอีกก็ได้คนะับที่เดินจงกรมเป็นเนแถวเหมือนที่พวกเราเดินตอนสองครั้งที่ผ่านานะ อครไปลุกแล้วก็ตั้งแถวแล้วก็เดินของเราถนะ้าแถวคนไมน้อยนะแล้วก็ตั้งแถวใหม่แต่ละสองสามคนก็ได้อะไรนะยังยไม่เดินจนตอนไหนว่าก็จะเดินอตั้งแถวใหม่เลยก็ได้จะได้นคนเดียวสองคนก็ได้จริงเราปรับเปลี่ยนของเราเองน ะ, ะ, ะมาก็แค่แนะ น, นําเองนะแนะนํา พอสมัวรนะฉันอาจจะไม่มีบอกบว่ายี่สิบสามสิบหรือว่าชั่วโมงหนึ่ ง, งสมควรให้เราดูเอาเงว่าร่างกายในตอนนั้นมันขนาดไหนที่มับอกมันเรียพร้อมแล้วว่าโดนเจริญแล้วนะเธอรีบิดของการปวดขาแล้วปวดที่เปลี่นได้แล้วนะก็ฟังเสียงภายในเราเดิมไปแล้วก็ดูนะมไม่ใช่เจริญเจริญนะครับเท้าแตก าได้พอสควรตัดอายุตับกําลังในตอนนั้นบางที่เราใช้การเปลี่ยนใจกดเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เช่นม่วงนอนบมากๆนั่งมันม่วงม า, มากๆตัเปลี่ยนไปนเดิเนเพื่อเกิดชื่นขึ้นบางทีเดินฟุ้งมากเกินไปก็นิ่งกลับมานั่งอย่างมีสติอยงนี้แะให้การเปลี่ยนอารมณ์ ตัวทำให้กลับมีจสติได้มากขึ้นน้อยาาาอมากเกิดรู้สึกกระท้ากระตอกนี้กระเท้าย่าแอดเดินหนักก็อัดอือเปล่าเดินเนาะดีแล้วอ่ะดีมากๆจะเด็กจะผู้ใหญ่จะใครจะทำได้เั้งนั้นนะ แต่ไม่นับถือจะบอกว่าไม่นับถือก็จะศาสนานจะทําได้เพรสติมีเป็นสากลสากลมาทำเป็นธรรมที่ไม่จะขาดศาสนาสติมีในคนทุกคนมีในสัมปชัญด้วยปติคือการรู้ตัวว่ากาำลัง ท, ทำอะไรถ้าใครมีความรู้ตัวกำลังทำอะไรนั่นก็คือมีสติรู้ไปเรื่อย เล้วก็เกิดสัญญาเห็นความจริงของจิงที่ถูกรู้เราู้ดูกกายรู้ใจไปไว้เดี๋ยวก็เข้าใจความจริงของกายของใจสติมีหน้าที่ในการดึงอารมณ์ขึ้นมาให้เห็นให้มันมชับอารมณ์ของกายของใจมีนแสดงแล้วก็ดูรไปกายดูโยี่ถือ ถ น, นัดนะอาจจะไม่ต้องเดินช้ามากก็ได้นะเดินยกเสื้อขานะเดินลองฝึกให้มันเร็วตัวนี้สักหน่อก็ดีนะเราฝึกเรียนก่อนี้อาจจะช้าชกวดขีดประจำวันเล็ก น, อน้อยแต่อย่าช้ามากเพื่ออะไรที่เราได้ฝึกไปยุกต์ใช้กับทีดประจำวันในหะน้าที่บาทีเราเดินช้าเดินไปพอ เราต้องไปเดินเร็วต้องไปอยู่ในสับคมที่ต้องรีบนะคาทีเรขาดสติได้มากแต่ถ้าเราใกล้ชียพใกล้ชีวิจังหวะเหมือนตอนราซ้อมอะยิ่งซ้อมได้ใกล้เชียงกับกับเรียว่าของชีเท่าไหร่เราก็จะเก่งมากขึ้นนะเพราะกิเลสนะมันไม่ช้านะกิเลสมันไม่ไม่รอเราไม่ไม่ยอมแพ้ให้เรานะไม่อนข้อให้เรานะ เสมอเื่อไหรเข้ามานันทีเราจะบอกให้กี่เฬาเขาช้าให้เบาหน่อยไม่มีนะมีแต่เราต้องเพิ่มศักยภาพของเราให้เก่งขึ้นเหมือนเราเป็นนักกีฬาจะเป็นอะรก็แล้วแต่เราจะขอให้ผู้แข่งมาอ่อนข้อไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่ง้นแต่นักก็ได้นอะอีกทางทางํานึ่งแบบนี้ทางโรคมันอาจจะมีทุกติดอะไรบ้างแต่ทางทางไม่มีทุกติดมีอ่อนข้อให้แน่นอนนะ เดินรู้สึกตัวไปใจที่เปเล่นอื่นก็กลับมาอยู่ของการเดินรู้ทันใจที่คิดและพอนะ ใจเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ฝึกต่อได้นะเพราะว่าเราก็เจิญกันหรือว่ามาเรียนแต่ชีวิตจริงงานจริงเราต้องมาไปทาต่อนะเพราะว่าม <c oughs> าเรียนรู้แล้วถ้าไม่ไปทาต่อก็อเหมือนก็มนไม่ได้ผลนะไ ม, ไม่ได้ผลหรอกรู้ไว้เพื่อสิเราแบละนะแต่ถ้าไปทาต่อเนี่ยมัจะดีมากๆเมืนอนเราเรียนทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่หรือมาเราฝึกผัดอะไรก็แล้วแต่ ถ้ายังทำไม่มากทำนี่ยังไม่ชานาญทม่มวงบินยังไม่พอมันก็ยังทาไม่ใช่พอ่อขับไปเจอความทุกข์ไปเจอปัญหาก่ อ, จอนจะความทุกข์กจอนจะปัญหาไม่ได้คนระับเราเรียนรู้เราสงสัยแบบไหนก็ก็อเชินนะั <c oughs> ้นมไหมไม่สงสัยาะมันมาได้ถานบ้าง <c oughs> ถามว่าเรารู้อะไรบ้าง <c oughs> 有罗来吧，来来吧，嗯，哼。 เรินๆนะมีกัลยาณมิตรดีมีตามีที่ดีที่ทำให้เราศึกษาธรรมะคึอไม่ต่างกับอยู่ีกัลยาณมิตรสำคัญมากๆเรามีกลุ่มกลุ่มที่เข้าวัาถุที่ฟังครรมกลุ่มที่สนใจ เ, นนเดียวกันก็จะกลุ่มคนรอบขนะ้างนะยกตัวอย่างพี่น้ำาญาติน้องมาแยกยังไ่ถือว่ามาเป็นกลุ่มพากาันมาปฏิบัติธรรมนี่ดีนะ ปุถุพิพาทํทาบุญมันก็ดีแล้วแหละแต่ปุถุพิปฏิบัติทําด้วยกันพอมีมิตรดีคนนี้มันไม่ได้แค่ว่าพานด้วยกันแต่ต่อไปมัิจะเปการเลือนกันด้วยมิตรดีจะเป็นการเตือนถ้าเห็นว่าเราทิ้งดียรหรือว่าเราออกนอกรูปนอกทางหลงไปเนีแล้วนะก็ทำหน้าที่ในการเลือนกันใช่ไหมพอเตือนลูกลูกเตือนพ่อแปรเตือนกันแบนะี้ก็เตือนกันได้เตื่อนเสร็กัน การพมิที่ดีเป็นปัจจัยที่สําคัญผู้เจ้าตัดขนาด่าขนมบอกว่าการมีกรนณมิที่เป็นขึ้นของผมผมคมอาจารย์ซึ่งคมอาจารย์จะให้หมายถว่าชีวิตที่ปัจเจกการที่ชีวิตที่ปัจเจกได้เป็นแค่ขึ้นของคมอาจารย์แต่พุทเจ้าเขบอกว่ากัลี้ยงมินี่เป็นทั้งหมดของคมอาจารย์ทีเดียวอยากกล่าวูกต้องว่ากรนเมิตี่เป็นแค่ขึ้นของคมอาจารย์นะเป็นทั้งหมดของคมอาจารย์ถ้าใครอาศัยเรา เราถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรไีมีแ้วผู้นั้นเจ้าคนเจ้าคำคุปปะ่าได้ก็คือว่าถ้าใส่พุทธเจ้าเป็นกรนีคือใส่คับสังสอนของผู้โดมเป็นกรณีมิตรด้วยแต่เราก็มีมิตรที่เป็นบุคคลก็ไปช่วยะรับให้รอดีใการปฏิบัติหน้าที่อย่างหมอตองหรยกสุตว์ก็มีพินายุเห็นด้วยคือไม่ใช่แค่รอมิตรมามาเตืน แต่ตนเองก็ต้องสร้างระเบียบสร้างวินัยให้กับเราด้วยเพราะว่าบางทีวิตรไม่เห็นเราเนาะแต่เราเห็นตัวเราตอดเวลาบาทีเราก็ต้องมีวินัยรู้ว่าวันนี้มุถ้าตั้งปฏิการเองว่าอืจะไปบัติให้ได้เล็กน้อยวันละสองครั้งในรูป แ, แบบเช้าเย็นนะแล้วก็งตั้งปฏิการเองแลาต้องพยายามทาให้ได้ทำวันที่ยี่สินาทีก็พยายามทำไปอย่างนี้นะหรือตั้งใจว่าจะไป อธิบัติธรรมอย่างน้อยวันละเดืเอนละครั้งต่อวันผมให้เวลาอาทิตย์ละครั้งต่อทํางานมาห้าวันแล้วขอเวลาเปฏิบัตธรรมสักวันหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวเข้าปวดตั้งแต่อาทิตย์แต่นี้ก็ทําให้เราคล้ายๆคล้ายๆขาดแต้มเนาะมันจะไม่ตัง้งใอว่าปีนึงหรือบางทีเราไม่ใช่แล้วแต่โอกาสก็แต่คนอื่นจะพาไปนะแล้วแต่ ตองเคยกันใช้กับว่ากับใจเหตุปัจจัยบางที่เหตุปัจจัยตัวเองไม่เคยจัดตัวเองจะรอแต่คนอืนจัดให้มันยากเหตุปัจจก็เป็นเราจัดเราจัดจัดสารเราไปสู่ข้อจัดสรรเราไปฟังคัำจัดสรรตัวเองในการปฏิบัติตอนนี้เป็นวิธีในวิธเหตุปัจจัยที่เราจัดสรรได้ดีให้ทําให้เราอื่นไม่ต้องสะท้านสัท้าแต่จริงอันนั้นก็คืออาศัยสิ่ง สิ่กระเตุ้นหรือระเบียบภายนอกช่วยเช่นคนอื่นหรือแม้แต่ระเบียบที่นเราสร้างเองแต่มาว่าชื่อว่าสรัทธาที่ใช้จิตมันเพิ่มเกิดจาการเห็นผลของการปฏิบัติของเราเองเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจหนักได้เพิ่มตัวเราเองว่าความทุกข์ที่เราเคยเป็นอาการอิเลตต่างๆความโลภความโกรธความรู้สึกต่างๆลังจากทายเปาใจเคยหมดจิต มากมากตัวดิหุดิน้อยลง น, นะเคยโรคมากเคยรักสวยรักงามมันก็ยังรักแต่มันเคยังไม่ไม่ใช่ตาสิเลไปั้งหมดอะไรแบบนี้นะเคยขี้เกียจ <c ười> ก็ยังมีความขี้เกียจอยู่แต่ก็มีความขยันต้ามาเติมมากขึ้ น, น <c ười> แบบนี้ยมันก็เกียวบพัฒนาการของตัวเองเพราที่ต้องการจะเห็นจะต้งเห็นว่าความทุกข์มันไม่จำเป็นต้องมีจริงความไม่ทุกข์มันมีจริงอยู่มันเป็นปกติมันทาให้ท่านมจิอยู่ จะเห็นหว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่ฝ่ายเกเรไม่ใช่ฝ่ายทุกข์แต่ธรรมชาติที่แท้จริงของทุกคนคือฝ่ายที่ไม่ทุกข์ฝ่ายที่เป็นสปกติมันมีถ้าเหตุ น, นี้จะเกิดสัจธาที่ตั้งมั่นเชื่อมั่นแน่นอนว่าสิุ่ที่พุทธเจ้าท่าสอนเป็นความจริงธรรมะที่ปฏิบัติตคำสอนของพุทธบอกหรือธรรมะที่เป็นธรรมชาติเป็นความจริงแน่นอนผสมที่เป็บัติดีเป็นแบบชอบก็ยังมีอยู่มากมาย และที่สำคัญก็เห็นว่าเราก็เข้าถึงสิ่งต่างๆวั น, นั้นได้เพราะพุทธคัมภีสวไม่ใช่มีแต่ภายนอกแต่ในตัวเราทุกคนมีมีพื้นฐานงนี้อยู่ถ้าเรากะจัดว่าธรรมะที่เราปฏิบัติมันแก้ปัญหาแก้ควาทุกข์ในตัวของเราได้จริงแล้วก็เราก็คาดสามารถทําใจให้เราได้เป็นผู้รู้ธรรมะด้วยนเตรงนั้นเป็นศรัทธาซึ่งมั่นคงไม่ไม่คลอนแคลนอธิ่าใส่เข็ดไปใจภายนอกแล้วก็อาศัย ความเพียรที่พักไปแล้วต้องมาเกิดผลนัล่นแหละถเกิดศรัทธานในการทํามันจะไม่ใช่ศรทัทธาเพราะว่าแค่เห็นคนอื่นเขาหน้นาศรัทธาแล้วเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นบางทีเราเชื่อบางทีเราเชื่อเพราะว่าคนพูดน่าเชื่ออุบายจาพูดน่าเชื่อพูดเจ้าพูดมีเหตุมีผลแต่แล้วก็เป็นศรัทธาที่ดีนหละพอเราทับไปแล้วเออเรา เขาถึงสิ่งตางนะจอก็มันไม่ใช่ศัตราที่ต้องแย่งพอเวลาคนอื่นมายกพอถึงว่าศัตรูบาอาจารย์พอมีข่าวมีอะไรมาในทางที่เสียหายแล้วก็เกิดความวางแย่งความแค้นครับ แ, แต่ถ้าเรามันคงที่ตัวสัว่งมาแม้บุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามคำพูดตามกาลเวลาก็ได้แต่แต่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงจากพระพุทธศาสนาเพ้องแน่นอนเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่ท่านสอน แต่โพูดเส้นเจ้าก็ดีหรือไม่แต่คำสอนของพระสงฆ์รุ่นหนักก็ดีนะมันใช้ได้ดีได้กับทุกได้ดีเพราะ น, นั้นปเป็นศรัทธาที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เราเห็นผลศรัทธาที่มันจะกลายเป็นฉันทะพอใจที่จะทำมนไม่ใช่สไตล์ไปเชื่อมันจะเปลี่ยนจากศรัทธากลายเป็นสันทะพอใจที่จะทำจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะพอใจที่จะรู้สิงตัวพอใจที่จะไม่หลงไปกับที่อื่น อาจจะอยู่กับสังคมฟาร์ซี่สังคมในที่ทํางานซึ่งเขาพูดเรื่องนอกตัวอะรแบั้แต่เราก็จะเราก็จะรู้ถัดไปว่าไม่ไปดินพากับเขาไม่ไปสนุบโล่งอย่างที่เขาไม่ไป็นุบสนานมากเกินไปอยู่กับเขาได้แต่เราจะไม่ส่งจิตเหมือนใจระเบิดไกับเขาเนะมันจะเป็นแค่ครับอยู่กับใครก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เราก็จะไม่โดบไปกับเขา เรามีนักทเราปกติเยอะมันจะเกิดเกิดชั่งท้าชัปัจจุบัติชั่งท้าคือความปลอยใจมันก็จะทําให้เราเกิดมีความเทียงเทียงที่จะทำมันจะไม่คิดว่ายากหรือง่ายนะแต่มันคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเป็นงานที่ชอบทํำมันมันจะตัดคำว่ายากหรือง่ายมันรู้แต่ว่ามันต้องัำรู้แต่ว่าเรื่องที่มีอยู่นะมันรู้เดี๋ว่ามันต้องรละแต่ยากหรือง่ายไม แต่ว่าที่เราเพื่อจะข้ามฝั่งนั้นเนะี่ยมันต้องข้ามไปได้เหมือนไี่ใช้นักปี้กระโดดดูว่าร้อยสิบเมตรนะมันมีโมฆะความนะก็ยังไงความหน้าต้องข้ามไม่ได้จะเป็นความโลภอวากรธควมห ล, ลจะเป็นอะไรนิวรณ์ธรรมจะเป็นสามโยต์ทั้งสิทธ์ทังขวาง น, นะหน้าที่เราวิ่งข้ามหน้าเรื่เราต้องข้ามนะแต่มันจะถูกขนาดไหนจะต้องข้ามไม่ได้ มันก็มีคิดว่ายากถึงง่ายนะแต่มันรู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแต่มันก็ยอมรับว่าบางทีมันยังไม่ผ่านมันก็ยังแต่มันก็ไม่ทอนะอ่ามันก็ไม่ท้อนก็แค่รู้ว่ามันล้มก็ลุกขึ้นใหม่ก็ทําใหม่ครับแม้เพราะมันจะมีความเพียรมีความพอใจที่จะทําคิดหาวิธีคิดหาเทคนิคคิดหาวิบากในการที่จะฆ่ามันให่ได้นะมันจะเืิดมันจะกลายเป็นปัญญาในการที่เรา ตอนนี้วิธีาการเทคนิคคไใจการวางใจการๆนั้นเป็นตัวสัญญาปัญญาที่เราเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขในการวางใจที่ถูกต้องมากขึ้ น, น ว่าทำอะไรก็ทำนั่งรถใช่ไหมนั่งรถก็คลิกมือเห่นตรงนี้แต่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทำได้ครับบางทีอย่างตาบางทีแยอยู่ด้วยกันบาทีก็ไปด้ยกันก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะบางทีก็มันก็เราก็ปฏิบัติของเราไปมีเรื่องมีอะไรก็ค่อยคุยดึงไปมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาันไปอะไรนะก็ไปอยู่ เยอะนะรู้างก็มีเยอะแต่เราค่อยๆจัดสรรให้มันไม่มาลกกลางมากทีต่างๆตามมันมีเยอะแยะความร้สารทงทีแคเราก็จะม่ไหนไม่จัเป็นไ่ด้เกี่ยวข้องมากก็ไม่ต้องรู้มากก็ได้เรจะได้เบาๆแล้วก็จะได้คล้ายๆมันคล้ายๆนเดินทางไกลถ้าโลมเคยเดินแบบแบบเป้กนะเออาจะเห็นว่าสัมารันหนะ นะบางทีเราจะเห็นอย่างราาพระไปผู้ทรงนะหรือโยมเลยทางไปถ้าเราได้แตะเหตุจ้เยว่าของไหนเป็นของจําเป็นของไหนไม่จาเป็นวันที่สองที่สามเนีเยเอาคืนนะเอาทิ้งละโปรยจางต่อละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราการเดินทางสู่ควอมความเพลิงทุกข์ก็เหมือนกันนะค่อยๆเดินไปเราจรู้ว่าอันไหนเป็นของจําเป็นใบชีวิตอัไหนเป็นของไม่จําเป็นมีก็ได้มไม่มีก็ได้นะ มันจะรู้ว่าอันไหนแค่จำเป็นมันก็จะไม่ไม่ไม่แสวงหาวัตถุภายนอกมากมายหรือแม้แต่ความรู้ภายนอกมันก็ไม่ค่อแสวงหามากนะแต่มันไม่แค่มีรู้นะแต่ก็ไม่ค่อยแสวงหามากเพราะมันรู้สึกบางทีก็มันก็จะมีตัวไอยเตือนคอี้ว่าบางทีความรู้ภายนอกมันก็ดีแต่รู้มากมันก็ยากนานนะบางทีรู้มากมันก็ใช้เวลาในการรู้ใช่ไหม อย่างสังเกตว่ามดบางคนอย่างคอมพิวเตอร์นม่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆยิงขึ้นเรื่อยๆบางทีถ้าเราคิดยุทธนาที่บาทีเราไปตามมันเราไม่ได้ทำนั้นมันเกี่ยวข้องกับมันี่ยก็ไม่อยากตามมันเพราะบางทีพัฒนาเรื่อยๆตามไปนี้แล้วมันก็อัพขึ้นไปให ม, ม่เราแค่คอยใช้ได้พออย่เนี้ยเราก็จะเห็นโอ้แต่ถ้าเราไปหัวมุ่นกับมันเราต้องตามทุกอยา่าง เราจากบางทีบางอย่างเป็นการเกี่ยวข้องกับการทํามาลของเราเราก็ต้องตามมันใช่ไหมในอาชีพของเราแล้ก็รักษาหรือรักษาเอแต่เราจะเห็นว่าทุนทีมันก็มันก็จะรู้จักพอในการที่จะความรู้ภายนอกมันก็เอาแค่พอประมาณพอทีบิดรอดหรือพอสําคัญกับคนอื่นได้แต่มันจะเอามาคนฝ่ายภายในมากขึ้นมีเวลาว่างก็พยายามมีสติให้บ่อยที่สุดมัก็จะเป็นแบบ มีอะไรไหมไปได้ทุกวันอุทยานไปได้ทุกวันไปได้ทุกวันแต่ก็ถ้าช่วงที่มีคอร์สปฏิบัติก็ต้องเช็คอ ย, อยืนในในอินเทอร์เน็ตว่า Internet. อินเทอร์เน็ตเอารูปได้เอารูปได้แต่ถ้าไปในช่วงที่ไม่มีคอร์สก็ ก็ไปได้ก็มีมีพระคอยแนะนําการไปบัตดอยู่ทุกวันเดยแต่อาจจะไม่พาทําไมได่ดูแลบแบบได้ชิคเหมือนในคอสนะการกระแต่แต่สถานที่แต่ถ้าช่วงไปแบบมีคนเตอร์สถานที่อาจจะนอนรวมกันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นช่วงที่คนไม่เยอะก็ที่พักก็าจะพอมีแบบเราเรี้ยงพั ก, กสักสี่แสนเด็กๆอยู่ในจานให้ดู มีเด็กที่ใจญ่นะ ใ, นใจญ่ไม่ใช่เด็กนะเป็นความหวังเป็นความหวังว่าอว่าสรรมะจะยังต้องอยู่ต่อไปถ้าคนในวันนี้ยังสนใจปฏิบัติธรรมอยู่แม้เราอาจจะตายในที่นี้แต่ก็ยังมีเด็สืบท <c oughs> อ, อต่ออยูงเป็นความหังว่าศาสนาหรือพุทธศาสนายังเก มีเชื้อต่อไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่พรกนะเด็กผู้หญิงก็เป็นความหวนะังพะพุทธเจ้าเป็นฝากความหวังได้กบฏสัตว์สียางี่สุพิพุนีกูบาตุูบ า, ต, บาติกาเป็นคุทธกตะไม่ใช่ฝากรม่ใช่พระแต่วัด น, นะพร่เจ้าบอกบกบฏของเรามีสี่อุคประกอบอันนั้นผู้หญิงี่เป็นกุบาติกาจะเป็นคนสูงอายุือเด็ก มียุคไม่มากก็ถือว่ามีปฏิกรารผู้ชายก็เหมือนกันแม้ไม่ได้บวชแต่ก็ถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทของพุทธศาสน า, าแต่จริงถ้าไม่ใช้คำว่าพุทธศาสนาก็ได้นะก็ที่จริงศาสนาก็แปลว่าที่ขึ้นถ้าเรามีที่ขึ้นให้กับจิตใจของเราหรือว่าเร า, าสามารถสร้างที่ขึ้นให้กับคนอื่นได้แต่ไม่นับถือศาสนาของเราไม่เชื่อมของเราแต่ได้ เขาแบบบ้านเราพึ่งแล้วก็เขาไม่ทุกได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะจะแบ่งแยกอย่างแบ่งแยกกันว่าใครแบ่งแยกเพราะว่าเชื่อเพราะว่าเห็นต่างกันแล้วก็ทะเลาะกันแต่ที่นั้นความเห็นต่างมันเป็นความสวยงามนะเอาความสวยงามเอาควาต่างมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันผลในตรงนี้คิดเหมือนการบทพูดเหมือนการบททำเหมือนกัารบทนะตรงนี้คงไม่มีไม่มาทำการขนาดนี้แร้กนะ พวกีเด็กคนปกติอ่าหรือว่าคนแบบเดียวกันหมดเห ม, มือนกับโรงงานผลิตของอย่างเดียวกันหมดเออมันคงเป็นยัๆๆงไงถ้าเราทุกขันบนเขราะวาหนวนีย้ยี่ห้อเดียวกันรๆๆๆุ่นเดียวกันเด็กเป็นยังไงแล้วคนทุกคนหน้าตาเหมือนกันเป็นยังไงนะแต่ความคิดนะอ่าแต่ที่จริงทุกอย่างมันจะหลอมนะแม้คิดต่ากแต่ก็สามารถอยู่ร่นกันได้ แต่ที่จริงแม้แต่ พ, พระอระหันยังก็จะคิดว่าท่าคิดเหมือนกันนะท่านก็คิดไม่เหมือนกันก็มีอย่างสมัยพุทธกาลพอพระเจ้าปราะิณิพันธ์มีการสั่งเครนาครั้งที่หนคือหลังจากที่พระเจ้าปริณิพันธ์แค่สามเดือนพัฒสง์ี่เรียกว่ามีคุณธรรมที่เป็นพระอรหันห้าร้อยรูปมาไปถึงกันเพื่อมาเรียงเรียงรูปมาตรวจสอบว่าพระเจ้าสอนสี่ปีหรือห้าปีสอนอะไรบ้าง ก็แ บ, บ่งเป็นสามเรื่องนะพระพินายพระสูตรพระอภิธรรมเรียกว่าพระไตไรปิฎกแต่ในพระพิณายนะพระพุทธเจ้าท่านใส่ใจเลยว่าติดขา บ, บัเล็กน้อยติดขาบทวคืข้อปฏิบัติเล็กน้อยสามารถแก้ไขหรือว่าสัดก์อรได้ถ้าเคยสัดย์ไปแบบเนี้ยเด็กเนื้อหาประมาณนี้พอในพระอรหันต์ห้ารูปมาประชุมกันก็คุยกันว่าแก่เพราะยังตัดย์ไปแบบนี้เราจะทํำแบบไหน พระอรหันต์บางรูปเขาบอกว่าพระจะมีจิต227ข้อนะโยมอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าแบ่งเป็นหมวดก็จะเรียกว่าอาบัตหนักอาบัติการอาบัตเบานะคล้ายถ้าโทษตางกฎหมายก็โทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษป ร, รับอะไรนี่ก็จะมีระดับที่มันแตกต่างไปบางกรณีความว่าพิการเล็กน้อยเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ต่ำถึโทษที่ประหารก็คือตั้งแต่โทษหนัง พิกาบาเล็กน้อยทั้งหมดตัดได้เปลี่ยนได้แก้ไขได้บางคนก็บอกว่าต้องเอาไวา้ศึกษาบทหนนะักแล้วก็ศึกษาบทวขนาดกลางเอาไว้ไอ้ที่อาบัดเบาให้อเอาออกนะี่หรือแม้แต่ในตัวเบาก็มีอีกเป็นประมาณสองร้อยข้อเนะี่ยก็มีในไหยแบบปรับปับมากปับน้อยเลยนะก็ตรับแตกตา่างกันคนก็ว่าศึกษาบทอ่าที่ว่าเล็กน้อยเนี่ยก็มาตรฐานไม่เข้ากัน คือเจะเห็นแม้แต่พระราหังนะแม้แต่ควาเห็นเนี่ยท่านจะเห็นตแตกแตกต่างกันได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเห็นเหมือนกันแต่ที่ท่านเห็นตรงกันคือว่าเห็นว่าอะไรคุอทุกเห็นว่าอะไรคือวิธีออกจ็บความทุกขแต่โดยอ่าเรียกว่ามาตรฐานที่เอามาวัดในเรื่องติดย่อยภายรอกบางทีมันเป็ความเห็นที่แตกต่างกันแตกต่างกันได้แม้แต่วิ น, นัยหลังจากพระเจ้าตรัสรู้เก่ดปฏิวาตให้งานนั้น เข้าอาหารก็ยังไม่ว่ามันเถียงกันแต่ไม่เถียงกันด้วยความโกรธด้วยควาเกตกันแต่เถียงกันเพราะว่าเรื่องมาแรกเปลียนกันจะสุดท้ายก็ไม่ได้มาติดว่าจะเอาไว้ไหนเป็นตัวตัดสินก็เลยสรุปว่าดังนั้นเมื่อเราสรุปจะไม่ได้ว่าอะไรคือศึกขาโปรเจกน้อยดังนั้นอย่าเพิ่งตัดเอาไว้ทั้งหมดก่อนก็เลยกลายเป็นฝ่ายเหตุเราว่าก็คือเหตุเราว่าคือเอา ตามโอว่าหรือว่าข้อสรุปของพระเถระห้าร้อูปที่สรุปกันคือที่จริงไม่สรุปกันสรุปกันไม่ได้ก็เลยเอาเอาตามพระพุทธเจ้าไว้ว่าเลยก่อนอืมอันนี้ไม่อันนี้เราบางทีเรามอะแค่พระอาหารที่จริงพระพุทธเจ้าก็เห็นไม่ตรงกันนะเพวกเราจะได้ยินนะพระพุทธเจ้าโงค์นี้เทียวสมณพโพดมก่อนรูปที่เรียกว่าพระพกะัสสปะพระเจ้ากัสสปะโภมาสมะคือหลายองค์นนะ มีหลายอดค์กรนั้นน่ะอ่าพระเจ้าแต่ข้อองค์นั้นบัญญัติข้อวิเนแตกต่างกันบางเืียว่าศาสนาในยุกนั้นพระเจ้าท่านธรรมะอิต่อเหมือนกันแหละเคลนยรยัตสตรีเหมือนกันแต่วิัยท่านบัญญัติแตกต่างกันบางศาสนาบางยุคท่านเรียกว่าบัญญัติวิัยน้อยนะบางยุคท่านบัญญัติวิเนมาก บางยุคปัรดาวินในปราร์การคือแม้แต่พระเจ้าก็ยังบรรดาวิวานัยไม่เท่ากันแต่แต่ละยุคแต่ละสมัยนะดังนั้นเราเห็นแล้วโอ้ที่จริงไอ้ข้อแตกต่างนช่ไห ม, มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากแม้แต่คนที่มีปัญญามากขนาดนั้นบางทีเรื่องปิด ย, ย่อยนะั้นก็ยังเห็นไม่เท่ากันแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยนะเป็เรื่องของยุคเรื่องสมัยดนะ้วยแต่เนี่ยเราก็เห็นว่าแต่ตัวธรรมะที่แท้จริงอ่ะมันเห็นตรงกันเห็นตรงว่า แบบไหนมันถึงจะไม่ทุกข์แต่วิธีการหรือว่าก่อที่จะมาช่วยให้มันไม่ทุกข์ันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันมีจิที่จะเห็นแตกต่างกันได้แล้วก็แม้ความ่านก็ไม่จำเป็นต้องเอามาทำให้กิดข้อขัดแย้งกันก็แค่มาคุยกันสรุปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือเนี่ยเราเห็นโอ้แม้แต่ปจจุบันก็มันจะมีต้นเห้ากับด้วยเหมือนกันหมด แม้แต่ผ like ู wide, so you some sense, water, so so ้เจ an ้าก็ไม่จะเป็นั่นเห็นได้ทั้งหมดในเรื่องที่เป็นผีดย่อยนะแต่เรื่องที่เป็นธรรมะท่านเห็นตรงกันแน่นอนดงั้นเราไม่สงสัยเลยทำไมสมัยปัจจุบันมีวิธการนั่งวิการนี้มากมายแม้แต่ในเมืองไทยก็มีหลายสำนักมากมายมีหลายวิธีการมากมายไม่สงสัยเลยเพราะสมัยพุทธกาลก็มีมาแบบนี้อยู่แล้วก่อนพุทธกาลก็มีแบบนี้อยู่แล้วสมัยนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่เราจะหาแก่นใหได้ว่าแก่นที่แท้จริงที่ผู้เช่าจะสอนคืออะไร ธรรมะที่แท้จิงคืออะไรนะถ้าเราไม่หลงหลักนี้นะโอ้พระเจ้าสอนเ่อทุกข์เราก็การดับทุกข์แก่นแท้จริงของพุทธศาสนาหรือแก่นนี้นก็คือความไม่ทุกข์ถ้าเราจับแก่นนี้ได้ติดย่อยนี้เอามาขึ้นแค่จะเกิดเสริมมันเป็นตัวประกอบเท่านั้นนะแล้วก็ใส่วิ น, นัยไม่ใช่สองร้อยี่สิบขเราก็สร้างวิ น, นัยของเราเองนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นว่าทําให้ใครมาบัญญัติเราก็มาสร้างวิ น, นัย วินัยคือความที่ว่าเขาแต่ยากนะวินัยแต่สมัยพุทกรารก็ได้สิกขาบทสิกขาบทเรื่องข้อที่คือปฏิบัติบางทีเราใช้คําว่าที่จริงสิ่งเนี่ยพระเจ้า ก, ก็เรียกว่าเสิกขาบทห้าประการสิกข า, า, ขาบทคือข้อที่คือปฏิบั ต, ต, ติไม่ใช่ข้อห้ามนะแต่เราเข้าใจว่าสิขข่งคือข้อห้าสิ่งห้าสิ่งแปดสิ่งสิบสิ่งสองและยี่สิบคือข้อห้า จำนวนนี้จำนวนนี้ไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกว่าผิดทางก็คือข้อที่ผิดปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วพระเจ้าบอกว่าปฏิบัติแล้วจะเกิดความสุขปฏิบัติแล้วจะมีข้อประทับปฏิบัติแล้วจะถึงพระนิพพานได้คือข้อที่คุณปฏิบัติแต่ไม่ใช่เราเป็นข้อหน้าแต่คุณลองทำตามดู อ, อย่างนี้เดี๋ยสิถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเด็กเด็กคนอื่นี้ิคุณก็จะได้ทุกข์ใช่ไหม เพาะวาคุณไม่เบียดเบียนเขาเขาก็มไม่เบียบเบียนเรานะคุณไม่รักของเขาเขาก็ไปโกรธเขาก็ไม่พว ก, เ ข, กเขาก็ไม่มาทําร้ายเราจิตใจของเราก็ไม่คอยระแวงสูงระแวงระวังว่าใครจะมาอ่าจับได้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณไม่ดื่มตูรามีไรปติกับปัญญายคุณก็ยังดีอยู่ขนาดคุณไม่ดื่มตูรามีไรเวลาปฏิบัติธรรมก็ยังหลงขนาดนี้ถ้าดื่มไปัค่จะหลงขนาดไหนใช่ไหมมันก็เป็นข้อที่คุณปฏิบัติตรงนี้ใช่ไหม มันก็เป็นข้อที่พระเจ้าท่านบอกว่าให้เราจริงปฏิบัติไี่จะเป็นข้อห้ามถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติตามนาั้นแล้วมันเกิดประโยชน์เราก็พูดตามตามหรื 3. อว่าลองทําขัดแตบที่ท่านสอนแล้วเห็นเป็นทุกเป็นโทษจริงก็รัะเสียเลื่เสียก็คือแก้มันมีอะไรไม่กล้ามีอะไรไั้ม พอควรเนาะก็ได้ยินนีดฟนงแล้วก็ไปทำไปแล้วเนาะก็เอาไปทาต่อนะไปทาต่อเพราะว่าการกระทำน่าะเกี่ยวกับที่สําคัญมากนะพยายามทําใม้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะทำไปแล้วผลที่เกิดจะเกิดตัวเราไม่แดดแต่ก็จะได้รับปัญญาในความสุขในคนจะขอทุกมากขึ้นเองนะ นะแล้วคนรอบข้างเราก็จะได้รับคนนี้ด้วยนะถ้าเราเย็นนะคนรอข้างก็จะสงบเย็นขึ้นเหมือนกับต้นไม้โยนนะต้นไม้ต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน ส, สาขา ม, ม, มีใบมีใบมีกลิ่นที่หอมคนก็อยากเข้าใกล้คนก็อยากพึ่งพาอาศัยนะเราก็ทำตัวพัฒนาเองให้เป็นคนที่ มีความร่มเย็นเป็นเึื่อนให้คนอื่ได้แล้วคนในครอบครัวเราก็จะพึ่งพาในกันได้ครับช่วยกันเป็นกันริษกันพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปจัจจุบัติธรรด้วยกันดีมากๆเลยนะเป็นครอบครัวไม่ต้องออกมาบวชอยู่วัดแบบพระก็ได้ปจัจจุบันิําเข้าใส่บ้านเราเป็นวัดที่ดีเลยน ะ, ะเอาใส่บ้านนะเป็นวัดส่วนการปฏิบัติธรรม พูดคุยกันในเรื่องจริๆงาๆานๆเรื่องนี้ไม่ทะเลาออกาะแร้งกันเนะมันจะดีมากๆเลยนะทําแล้วเรจะเห็นมากที่จริงนี่แหละเป็นสังฆะที่แท้จริงสังฆะไม่ใช่แค่หนูสงแต่สังฆะคือหููทูกปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นสังฆะที่สากันถูกความไม่ทุกข์ได้ก็ฝากกเราไว้พยายามทําการถ้ามีโอกาสก็้ามาเจนกันเจอกันทุก เสาที่สามโคเรียนนะแต่ตรเท็คนเ่เกลือนไหนนีม้มันไม่ดีนะเท็กกันแต่ถ้าไม่มีโอกาสมาก็ทำที่ไหนก็ได้นะทาที่ไหนก็ได้เพราะว่ากายใจเราตามไปทุกคนทุกแงป่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่กายที่ใจนะกราบพททระอะระหังสมาสัมปุโตข้าสวาัดสดิ์ทูตางข้าสวันตามอธิวาเท สวะค้าโสถ้าสวะจารโมธรรมะนิมัสสุปัสิปิโนถ้าสวะโสถ้าวะจางโมสั้ง